ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวชาวเรื่องบริหารสัมภาระวิบากโดยพ่อท่านโพีิรักเมื่อวันที่5กรกฎาคม2535ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติตาเราฟังได้นบัดนี้ เจออะไรก็แม่น่ากินจิบคือกินเลหนี่แหละจิตใจนี่แหละจิตใจนี่แหละมันมีกินเลหมันเห็นแล้วมันก็อยากมันก็แม่น่ากินอยากจะกินพอสัมผัสพับก็กินแม่อันนีอ้อะล่ะแกใส่ปากละคือมันเหมือนเด็กๆเนี่ยมันไม่มีวิ น, นัยมันไม่รู้จักวาระมันไม่รู้จักการจบมันไม่รู้ว่าเราทําอะไรจุกยิกยุกยิกยุกยิก จิบใช้ปาปจุบจิบจบจิไอ้คนกินจุบจิบจุบจิอยู่นี่เป็นคนไม่มีวินัยจริงๆอะไรนี่ไนหนอเขาเคยตัวนะอย่างคนข้างนอกเนี่ยอะไรก็พอไปนั่งที่นนทินีก็เอาน้ําน้ําส้มน้ําเปรี้ยวน้ําหวานมามามารับรองกันกินจุบจิบจุบจิบอยู่นั่นแหละอ่าหรือไม่ก็เอานอกจากน้ําส้มน้ําหวานมาแล้วก็ของเอากินเล่นอ่าเอามาขอกินเล่นมากินนนทินีไม่งก็เอาผลไม้ น่นนี่น่นนี่มาให้กันกินอยู่เรื่อยอกินอยู่เรื่อย อ, อสัตว์เดรัจฉานนี่นะมันยังมีการกินเป็นมือเป็นคราวกินแล้วมันหยุดนะเพราะอิ่มแล้วก็ไปนอนเอือกนั่อย่างเสือสิงอะไรเงี้ยกินแล้วมันก็หยุดหมาก็เหมือนกันก็เห็นไหมหมามันก็กินเป็นมือหมาดีๆนะ นอกจากหมาไม่ดีก็อีกเรื่องหนึง่งหมาดีๆมันก็กินกินเป็นมือแล้วเมอาไม้กินมันไม่กินอีกหรอกมันกินแล้วมันก็ท่านั้นไปถ้าเวลาหิวอีกครั้งมันก็เคยกินอีกทีจริงๆนะไม่ใช่ว่าตมาพูดเล่นขนาดหมายังมีวิ น, นัยยังมีความจบความพอในการกินคนเนี่ยถ้าอย่างที่ว่าเนี่ย แล้วเขาก็ไม่เรียนรู้กันปล่อยปลาละเลยชีวิตกินจบกินจิบกินอะไรแต่ไรแต่แล้วแต่เจออะไรก็กินเรื่อยเรื่ดื่มน้ํา้มน้ําเปรี้ยวน้ําหวานนี่ก็รู้นะว่าไม่ใช่น้ําถ้าคนเรามันกระหายน้ําก็ดื่มน้ําเปล่าใช่ไหมก็ดื่มน้ําเพื่อร่างกายมันกระหายแล้วก็ว่าไปไม่ใช่ว่าเรากินแต่ไม่ได้กระหายน้ําหรอกนะแต่น้าเปรี้ยวน้ําหวานน้ําอร่อยกาแฟอ้วนตีนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดื่มก็เรื่อยไป ผลไม้บังไอเนื้ออหนีบมาพลไม้ก็หนักเคี้ยวหนักกินนะไอน้หนีบบังสุดท้ายไม่ขุ้มลไม้หรอกอะไรก็หมายรู้ทีนี้ไอกรอบก๊อบแกปนุนนี่จะได้เคี้ยวมันกรอบปากกรอบคอเนืดเหนียวเล่นดีอะไรแต่ไรไม่มีอะไรก็เอามาเนี่ยหมากฝรงฝรั่งมาเคี้ยวอยู่ๆยาๆเล่นอะไรมาบ้าบอๆนะเดี๋ยวนี้เราก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องบ้าบบอๆแต่ก่อนนี้เราไม่รู้ว่าเราบ้าบาบอๆนะแล้วก็ไปตามโลกที่เขามอมเมา กินกนเคียเค้ยวเนอนนอนีห น, อ, น, น, นอะไรไปกินหมากกินอะไรพวกนี้นั่นงั้นแหละจนกระทั่งว่าเราเองชีวิตของเราเป็นยังไงเสียหายทําลายเพราะเรื่องกิ น, นเสียหมดเพราะมาตั้งหลักกันดีๆนะตั้งหลักกันดีๆว่าเราเรียนมาถึงขนาดนี้ฝึกปรือมาขนาดนี้เนี่ยเรามีความเข้าใจมีทิฏฐิ สำคัญมั่นหมายไปขนาดไหนเห็นในจริงด้วยยานด้วยปัญญาพิจารณาพิจารณาจริงว่าเอ้เรากินนี่นะก็เราลองลองมาแล้วเนี่ยวันละมือแล้วก็ไม่ก็กินจุบกินจิบมันก็อยู่ได้นี่นะมันก็ไม่ตายอะไรเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปกันนะเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่ติดเราไม่ติดกิน ติดนี่คือกิเลสตั้งแต่เคยตัวเคยนิสัยเจอแล้วก็ไม่ได้สัมผัสทางตาทางหูได้ยินบ้างโดยเฉพาะกับตาตานี่แหละเจอได้กลิน่นเจอแล้วก็เกิดแล้วกิเลสอ่านอ่านกิเลสเราเรอเห็นไหมนี่หนไหมมันอยากมันอยากจะกินมันหมามันน่า ก, กินนะหัดเออกเรากินแล้วเนี่วันหนึ่งขนาดนี้ขนาดนี้เราจะต้องกินเหรออันนี้ถ้าเราไม่กินนี่เราจะตายไหม ถ้าเราไม่กินในสุขภาพเราจะเสียไหมพิจารณาทีเดียวแล้วก็พิจารณาถึงว่ามันเป็นกิเลสนะนี่ดูสินี่มันเป็นกิเลสอ่ามันทําให้เราอยากมันยั่วยวนให้เราเนี่ต้องการขึ้นมาอยากจะกินอ่านกิเลสอยากจะกินอ่านแล้วก็หาเหตุผลด้วยวิปัสสนาญาณให้รู้ว่าเออเราไม่ต้องกินเนี่ยมันจะไม่มันจะเป็นยังไงถ้าไม่ต้องกิน จุบกินจิบไม่ต้องกินหลายมือหลายครั้งเราก็มีวินยัยเราก็มีระเบียบเราก็มีความจบมีความพอมีกาละแม้แต่กาละแห่งการกินถ้าเราไม่ติดกินถ้าเราตัดกิเลส ต, ตัวกินได้เราก็ไม่ต้องเป็นภาระเราก็ไม่ต้องมาทำอะไร้นเป็นยุ่งๆอ ย, ยากๆจะต้องจะ ง, งนอย่างนี้นะและเราก็จะรู้ว่า กินเนี่ยมันแค่เอาอาหารเข้าไปในร่างกายเพื่อให้เข้าไปสังเคราะห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเอาเข้าไปในร่างกายโดยวิธีต่อท่อเอาเข้าไปอ่าเข้าไปทางเส้นเลือดสังเคราะห์แล้วก็เอาธาตุเข้าไปทางเส้นเลือดหรือว่าจะเอาอาหารนี่แหละให้เขาไปเข้ากระเพาะกระเพาะทําหน้าที่ย่อยเพื่อที่จะเอาธาตุต่างๆเข้าไปสกัดเองสังเคราะห์เองก็ตามใจ จะเอาเข้าไปในทางไหนได้ก็ออกเข้าไปให้อาหารมันเข้าไปในนี้แล้วมันก็ไปเลี้ยงร่างกายเท่านั้นก็คือชีวิตแหละก็คือการยังอยู่ตั้งอยู่ได้แล้วไม่จําเป็นจะต้องอร่อยหรือไม่อร่อยไม่จําเป็นจะต้องเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ด้วยการกินไม่ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ เคี้ยวๆเยวๆแล้วก็กลืนเมื่ออาทมาว่าอาทมาทุกวันนี้เนี่ยอาทมาเคี้ยวๆกลืนๆเนี่ยมันไม่มีนะอร่อยอะไรอะไรเนี่ยก็รู้ตามโลกเนี่ยเขาปรุงเออนี่ปรุงนะอย่างน้นอย่างงี้เขาก็เออย่างงี้ก็ปรุงรสชาติอย่างนี้อาทมาไม่รู้นะบางทีก็ไปเอาที่ร้านขายน่ยมาให้อาตมาอาตมาก็ได้ซดด้วยอ๋อเนี่ยเขาปรุงขายอย่างนี้นะอปอเปี๊ยะบ้างอต้มอะไรแต่อะไรที่เอามาให้ก็ชิมเออก็อย่างงี้นะ อาตมาตยังเคยถาวเนะปอเปี๊ยยวนอะไรพวกนี้บโอ้ขายกันดีนะักคนชอบกินอาตมาตกินแล้วมันก็มีแต่ไอถั่วงอกนะเคี้ยวเคี้ยก็มีถั่วงอกอะไรเยอะไอปอปเปียยวนไอห่อไอนุ่มหไอแป้งนุ่มหน่มหน่อยใช่ไมไม่ใช่ปอปเปียกรอบหรือปอบเปียกรอบก็เหมือนกันนะครับปอเปี๊ยสดอ๋อแล้วไอ <alm. S 1> ไอที่ห่อแป้งแป้งแป้งไม่ใช่แป้ง อ่อนๆยังไงแป้งยบหยาบหน่อยแล้วก็มีลาดมาสตาร์ดราดอะไรพวกนี้เนี่ยนะอะไรอะ่ะนั่นปอเปี๊ยอะไรอะ่ะไม่ใช่ปอเปียไอ้นั่นมันได้ลาดลกอกมันก็เห็นมีก๋วยเตี๋ยวหลอดเออไมไ ม, ไม่ไม่รู้อันไหนปอเปียอันไหนก๋วยเตี๋ยวหลอดตาตมาก็เมามาแล้วตอนนี้ชักจะชื่อเชื่อก็ชักจะสับสนแล้วก๋วยเตีย๋ยวหลอดอันนึงปอเปียะ แต่ไอ้ไส้มันก็ถั่ว ง, งอกเป็นหลักเหมือนกันใช่ไหมถั่ว ง, งอ ก, กไอ้เต้าหู้โปรโตีนกเกษตรอะไรผัดๆอะไรใส่เข้าไปเหมือนกันนะนะไส้มันก็พอๆกันนะอาตมาก็คินกินดูทุกไม่ก็ทุกไม่ทุกทีหรอกกินดูลองกินดูบางทีลองกินดูให้หมดอันเลยนะเอามาตัวหนึ่งนี่ก็หันมาเป็น ก็กินหมดให้หมดอันหรบางทีก็ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่ามันชอบยังไงยังนึกไม่ออกมันอร่อยอยังไงเขาว่าอร่อยแล้วบอกว่ามันขายดีแล้วก็ง ง, ง, งๆอว่าอย่างนี้อร่อยนะเขาเือเขาว่าอร่อยนะอาตมาจริงๆนะไม่ใช่พกไม่ใช่แกล้งพูดไม่ใช่แกล้งว่าอะไรนะอ๋ออย่างนี้เขาวาอร่อยนะอาตมาก็ อ, อ, อ, อ, อ, อร่อย แม้แต่ลาบแต่ก้อยอะไรที่ทํามากินทุกวันนี้ก็ัตมาก็เออนเขาก็กินเขาก็ปรุงรดปรุงอะไรอัตมาก็กินไปวันวันหนึ่งก็กินให้มันได้ปริมาณที่เลี้ยงร่างกายก็กินเข้าไปนในข้าวถั่วงาอะไรเป็นหลักก็ทุกวันนี้ก็เลยไม่ไม่อยากจะกินอะไรให้มันเปลอะเอะอะไรนักก็เลยกับข้าก็ไม่เคยได้กินข้าเท่าไหร่กินข้าวก็กล้วยก็มะละกออัตมาเคยเปลี่ยนนะ ตอนแรกนื้ว่าเอ๊ะถ้าอาตมากินข้าวกับกล้วยกับผลไม้นี่ท้องมันจะไม่ดีเคยเอ๊ะเปลี่ยนสูตรดูซิไปกินข้าวกับกับแล้วมากินผลไม้อย่างเก่าแต่ก่อนนี้ก็กินข้าวกับกับเสร็จแล้วก็กินผลไม้ตามทีหลังตอนนี้ก็มาเปลี่ยนไปกินข้าวกับผลไม้เสร็จแล้วก็กลับแล้วก็กินข้าวที่เหลือกับกับเล็กๆในนอนกับก็เลยไม่เคยได้กินหมูนี้แม่แต่คุณอ่างเดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาแต่ก่อนนี้ก็ไม่บอกว่านี่ฉันลดแต่ เป็นโตมาแล้วนะไอ้อันนิดนึงนะนี่นะเป็นโตอ่ะก็ยังไม่เห็นจะแหวงเลยไม่กินให้เลยไม่ฉันให้เลยบอกฉันนะอาตมาก็ฉันแต่ว่ามันหลายถ้วยอะ่ะก็ฉันถ้วยนั้นถ้วยนี้ถ้วยละคําบางถ้วยก็ไม่ได้ตักจริงๆด้วยละมันก็พอแล้วอะมันก็อิ่มแล้วขณะนั้นอาตมาเองอาตมากินหมดแล้วข้าวก็หมดแล้วอาตมาก็จะเอเอเติมได้หน่อยก็ยังตักกลับเปล่าเนี่ยกลับบางอย่างเนี่ย เอามากินอีกบ้างกินกับบางอย่างถ้ากินกับปลอบปลาก็แน่ละไอ้กับที่ปรุงปรุสจัดจัดมันก็คงกินไม่เคยไหวแล้วล่ะไอ้จะกินแต่กับปลอบปล่าเนี่นะก็คงจะตักกับกินกับปลอปล่าก็คงจะกินกับที่มันจืดจืดหน่อยแล้วก็ได้ถ้ากับปลอบปล่าที่มันปรุงจัดจัดมาไอ้อย่างแกงแหม่ดูมากระเดงแป๊ดมางี้มันยับมางนี้แล้วก็เลิกเลยแม้แต่จะตักกับข้าวบางบางทีมันก็ ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะอาตมาจริงๆเป็นคนอีสานนะกินรสจัดนะอาตมาเนี่เป็นคนอีสานคนอีสานกินรสจัดทั้งนั้นนหะโดยเฉพาะเค็มเผ็ดอะไรพวกนี้เราไม่ต้องห่วงเลยแต่ไม่จัดทางหวานทาคนอีสานเนี่ยไม่จัดทางหวานอาหารนี่ไม่ค่อยลึงอาตาลเนื้อหวานนี่เขาไม่ค่อยใส่กันไม่ไม่ใช้กันหรอกเดี๋ยวนี้ก็คงจะใส่ไปบ้างแะอีสานก็ตามแต่ก่อนนี่ไม่มีเลยสมัยอาตมาไม่มีหรอก นะกับข้าวจะใส่น้ําตาลไม่มีเรื่องอะไรกับข้าวใส่น้ําตาลหน้าขำน้ําตาลก็ไปทําของหวานสิ น, น้ําตาลเนี่ยเอามาใส่กับข้าวได้ไงไม่มีอะใส่กับกับข้าวจะใส่น้ําตาลไม่มีทางอีสานแต่ก่อนนี้นั่นะปรุงๆุงอะไรกันขึ้นมาก็มาติดรถติดกลิ่นติดสัมผัสติดอะไระอะไรกันไปเสร็จแล้วก็มาปรโลมกันว่ามันเป็นศิลปะนะ ต้องอนุรักษ์เนี่ยอาหารไทยต้องปรุงรสอย่างน้อนอย่างนี้ถึงขนาดระดับต้องอาหารบือรสรสอาหารอย่างนี้ชื่ออย่างนี้แล้วต้องเป็นระดับในวังนะอาหารนี่ปรุงระดับในวังฝีมือชั้นททุกอย่างเลยนอกจากรสจะได้ขนาดเยี่ยมยอดได้ได้ขนาดคงที่แล้วนะต้องอย่างนี้อันนี้ต้องอย่างนี้กับข้าวอย่างนี้ต้องอย่างนี้ ต้องได้รสได้รูปได้กลิ่นได้เสียงอย่างนี้แล้วก็ต้องตกแต่งอย่างนี้เวลาจะออกเอามาเสิร์ฟเอามาให้กินแล้วก็ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ในวังในตือว่าถึงคันห้องเต๋อเขกินกันของชาติอื่นก็ตามจะต้องอย่างนั้นก็เป็นเรื่องกินประดับตกแต่งอะไรนี่ยที่เรามารจุเวกกันเนี่ยการกินจะต้องไปเพิดเพลินสนุกสนานก็คืออริดอร่อยนั่นแหละ ที่จริงมันน่าจะแปลว่าอร ե ็ดอร่อยกินแล้วก็หลงไหลในความอร ե ็ดอร่อยเพื่อเพลินสนุกสนานก็ด้วยอย่าไปกินเลี้ยงกินเล่นกินน่นกินนี่กินกันโอ้ยสนุกลึกขึ้นว่าไม่มีอะไรละคนนะคบหากันแล้วก็จะสัมพันธมิตรเพื่อนฝูงมากัเลี้ยงกันทั้งท้งที่ไม่ได้หิวโหยอะไรเลยนะไอ้ผู้หิวโหยนั้ไม่มีจะกินไอ้ที่ผู้จะกินกินเล่นกินเลี้ยงไปเลยกินเล่นกินเลี้ยงกันไปทั่วกินกันเข้าไป สุขภาพร่างกายเป็นยังไงจังว่ามันกินกันแล้วกันบางทีไปถึงบ้านนี่โอ้โหอืดกินจังกินนดกินนี่กินเข้าไปอื ด, อดทั้งกินเล่นกินน้ําเป็นน้ําบง่งน้ําเบียร์น้ําหวานอะไรก็ซดเข้าไปงั้นอนะทั้งน้ําทั้งของเคี้ยวของเล่นของกินอะไรกินเข้าไปพวกที่มสีสามารถกินได้ก็กินให้มากเลี้ยงกันไม่รู้จกักหยุดจกย่อนพวกที่เขาไม่ค่อยมีก็หาทางเลี้ยงค่อย พัฒนาตานเองขึ้นมาเป็นสังค food, มที่ต้องมีกินเลี้ยงนะมีสตูงสตังต้องเลี้ยงกันต้องกินสังคมนั้นนะพอมีตังหน่อยก็มาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอ้าวปเดี๋ยวเจอหน้ากันไปกินไปเข้าร้านโน้นร้านนี้ไอ้ร้านอะไรค้ายๆก็ทํากินทําเลี้ยงของกินเล่นกินจริงอะไรก็แล้วแต่จะเป็นข้าวเป็นกับเป็นของกินเล่นสารพัดที่จะต้องทําเพราะนั้นก็มีหมดแหละไอ้ที่จะของกินเล่นต่างๆนะทำอะไรอะ กินเล่นต่างๆต่างจังหวงจังหวัดชนน้ำบดนนนี่ก็ไปตามเขาไอโนอนนี่เขาไปนอกจากจะมีแต่ก่อนนี่ปิ้ของกินเล่นมขีขนมครกก็กินเช้ามีทอดกุยแขกมีเอาตอนนี้เป็นไอโนอนนี่ก็มีของกินอะไรขึ้นมาที่จริงของกินเล่นของไทยนั่นน่ะก็ทำอนอนํำไอโนนเป็นขนมก้อนขนมอย่าง น, น่นอย่างนี้เ ป, นนนเป็นน่นเป็นนี่เดี๋ยวนี้มีสารพัดนี่ มีกว๋วยเตี๋ยวมีผัดผักกาดมีเย็นเต้าโฟมีอะไรอนะ่ะมามีผัดไทยมีนมจีนมีอะไรอาตมาก็นึกไม่เคยออกพวกคุณอยู่ร้านราๆที่ทําขายมีกินเล่นกินหัวกินก็ไปขายได้ทั้งวันไปแล้ก็จะไปคบหากันก็เป็นนั่งร้านอาหารนี่แหละอย่างน้อย ก, ก็ต้องสั่งกาแฟสั่งน้ําขวดอ่าแล้วก็มีอะไรอีกก็สั่งที่ นมเคก้กนมไต น, น่นนมไม่นี่นมโดงนงโดนัดเดี๋ยนี้ขนาดโดนัดมันขายกันเป็นเศรษฐีทั้งโลกเป็นเศรษฐีทั่วโลกเลยโดนงโดนัดนี่ยนั่นะทํากินทํำขาทําอะไรไปพูดยังไม่หมดนะเนี่แล้วเมื่อยแล้วอาตมาพูดยังไม่หมดนะเมื่อยแล้วจะได้เห็นว่าไอเป็นโรคแห่งการกินหรือว่าไอการสร้างวัฒนธรรมแห่งการกินที่มันเลอะเทอะมันเปอะมันอะไรแต่ออไรกันไปเนี่ยมันเท่าไหร่ มากมายก่ายกองเลยอาตมาว่าตามาจัดสรรในเรื่องการกินมาชีวิตมานี่ก็แมเป็นสิบสิบปีกว่าสิบปีมาแล้วในกินมือเดียวแล้วก็อยู่เงี้ยมันยิ่งเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นสัมภารวิบากฟังภาษานี้ให้ได้มันเป็นสัมภารคนเรานี่สะสมสัมภารวิบากเพราะชีวิตที่ยังไม่ปรินิพาน ชีวิตที่ยังไม่ปรินิพานนั้นจะต้องอาศัยวิบากเพราะฉะนั้นคนจะต้องสั่งสมสัมภาระวิบากแล้ววิบากอย่างใดที่เรากระทําที่เราฝึกฝนที่เราทำลงไปวิบากอันนั้นก็เป็นของเราเราย่อมติดเราย่อมถือเราย่อมยึด เราย่อมเคยชินเคยตัวเพราะเราทำแท้เพราะเราเราจะหัดหยิบเล็กหยิบน้อยมันก็ติดหัดหยิบเล็กหยิบน้อยนั่นแหละหัดตั้งแต่จิตเลยมันสั่งให้อยากสั่งให้ทำอย่างไรให้มีอารมณ์อย่างไรให้มีอาการอย่างไรมันก็เป็นตั้งแต่จิตนั่นแหละถ้าจิตของเราหัดฝึกประวางปล่อยเลิกไม่มีรสไม่มีดูดไม่มีซึมไม่มีติดไม่มีอยาก ฝึกมาจะกินก็กินไม่ได้ได้ออยากจะกินตีสามจะกินตีสี่จะกินตีห้าจะกินหกโมงเราก็ไม่ได้กินด้วยอยากบางคนกินแล้วต้องกําหนดเวลาโอ้ยเวลานี้ถึงจะหิวถ้าเวลานี้ไม่ใช่เวลาของมันไม่หิวอ่ะแล้วก็กาหนดเวลาให้เราเองว่าจะต้องหิวจะต้องอยากจะต้องอร่อยเวลานี้ถ้าไม่ใช่เวลานี้ไม่อร่อยถ้าเวลาไม่ใช่เวลานี้กินไม่ลง เพราะมันไม่อร่อยมันก็สั่งจิตให้ตัวเองแค่คิดอย่างนั้นให้อุปทานอย่างนั้นให้สมมุติอย่างนั้นให้กําหนดอย่างนั้นและกําหนดอย่างนี้จําไว้นะต้องมีอาการนีตร้ต้องมีความรู้สึกอย่างนี้นะถ้าไม่ใช่เวลานี่ยกนะำหนดลงไปถึงเวลาเลยถ้าไม่ใช่เวลานี่เร า, ากินไม่อร่อยหรอกนะจําไว้นะแกจะจําไว้นะถ้าไม่ใช่เวลานี่เรากินไม่อร่อยก็ติดสิโอ้ยังไม่ใช่เวลากินไม่อร่อยหรอก แล้วไมอร่อยจริงๆนะรู้สึกไม่อร่อยจริงๆก็ตัวเองไงแหละตัวเองไงแหละพอถึงเวลาได้เวลาเอออร่อยก็ตัวเองไงแหละอร่อย ท, ทั้งทั้งที่ของอันนั้นของอันเดียวกันนั่นแหละที่เคยสมมติว่าเราติดเราชอบนั่นแหละนี่ก็กําหนดให้มันยุ่งยากแก่ตัวเองลงไปทําไมอร่อยก็กินไม่ลงก็จะต้องเกิดการผลักไสเกิดการผลักดันไม่เอาอะไรอย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าเราจะทําอย่างพวกเราเนี่บางทีเอาต้องกินตั้งแต่หกโมงชาต้องกินตีสี่บางทีต้องกินเจ็ดมต้องกินแปดมงต้องกินสิบเอดม ง, ง, ก, มงกว่าจะเทศเสร็จอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องไปติดในเวลากินเมื่อไหรก่ก็กินได้เพราะเราไม่ได้ไปกําหนดพวกนี้แหละติดสมมุติเราไม่ได้ไปกำหนดติดสมมติเราก็จะไปได้เรื่อยๆแล้วก็ได้ไม่ไป ว, วุ่นวายไม่ยุ่งยากวุ่นวายนะ เพราะเราได้บำเพ็ญเพราะเราได้ฝึกขัดเพราะเราได้ประพฤติไม่สั่งสมลงไปทั้งจิตวิญญาณให้เป็นเป็นวิบากที่วิบากจะต้องยึดต้องติดต้องหลงต้องไหลต้องอย่างง้นอย่างงี้แม่มีรถอร่อยมีกันผูกอกผูกใจเอาไว้มันจะต้องชอบต้องแมมเห็นแล้วไม่ได้สัมผัสไม่ได้อดไม่ได้อนี้ชอบเหลือเกินมันเมื่อเจอเมื่อไใ่ต้องกินเติมเมื่อไหรมันอร่อยท้องเต็มบางทีก็ยังยังอร่อยอยู่เลยนะแต่มันท้องมาเต็ม เพราะงั้นพร่องนิดพล่องหน่อยเติมได้อีกก็มันอร่อยอะมันชอบนะเพราะคำว่าสัมภารวิบากเนี่ยทั้งนั้นทั้งนั้นแหละนะสร้างอะไรฝึกฝนอะไรขัดกายวาจาใจโดยเฉพาะสั่งสมลงที่ใจที่จะเป็นตัวกาหนดรู้เป็นสัญญาและก็เป็นความจำและเป็นเวทนาเป็นตัวรู้สึก รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์จะรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็คือสมใจหรือไม่สมใจภาษาของโลกิยากอธิบายมามากแล้วมันไปสมมติมันไปยึดมันไปติดตามสัญญากำหนดจาได้และก็กำหนดอย่างนั้นเมื่อกำหนดอย่างนั้นตามสัญญาและตรงได้ตามกำหนดอย่างนี้แหละเรียกมันว่ารสอร่อยเรียกมันว่าเป็นความสุขถ้าได้สมใจอย่างนี้แล้วเป็นสุขถ้าไม่สมใจอย่างนี้แล้วเป็นทุกข์ เวทนาก็เกิดสุขเกิดทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีสมใจอย่างนี้ก็ไม่สุขไม่กําหนดว่าอย่างนี้จะต้องได้ต้องเป็นต้องมีอย่างนี้มันก็ไม่มีการทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเป็นอทุกขมสุขหรืออุเบกขาตามที่อธิบายมายะมากมายแล้วอ่านอาการอ่านอารมณ์แล้วก็ล้างอาการอารมณ์ที่มันจะต้องสุขต้องทุกข์ก็เวทนาจนกระทั่งเป็นอุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุข จะสังเคราะห์จะร่วมปรุงจะร่วมเป็นไปด้วยประกอบด้วยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยอย่างไรถ้ามันเป็นประโยชน์คุณค่าเราก็ไม่เกิดเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์สัญญาที่เราเองก่อกแต่ก่อนเป็นสัญญาวิปะลาเป็นสัญญาที่ไม่ค่อยจะดีเพราะเป็นสัญญาแบบโลกีเป็นสัญญา จนกระทํางไปอุปทานตามกิเลสยึดติดกาหนดตามกิเลสเมื่อมาแก้ไขมาปรับปรุงมาเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็เออกิเลสนี่ไม่เป็นตัวตั้งกิเลสไม่มีกิเลสลดแล้วลางแล้วได้กิเลสมันก็ไม่ไปตึด ก, กำหนดอะไรมากมายแต่มีแต่ยานรู้ว่าเออนี้น่าสัมพันธ์น่าสัมผัส น, น่าร่วมปรุงร่วมทาด้วยกดปรุงก็ําจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมร่วมกวาดไป อันนี้เราต้องหน้าสังเคราะห์ให้แก่ตัวเองอันนี้จะหน้ารับไปแก่ตัวเองอ่าันนี้จะต้องมีต้องเป็นให้แก่ตัวเองจะต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องสวมต้องใส่ต้องเอี่ยวแขนไกวขาจะต้องกินต้องเคี้ยวต้องดมต้องฟังต้องเห็นต้องดูต้องสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องอย่างไรเราก็ใช้ยานด้วยยานรู้เราทําเพราะรู้เราไม่ได้ทําเพราะ ตัวกิเลสในตัวกำหนดที่มันกาหนดวิปลาสที่เป็นสัญญาวิปลาสเองต้องเอานะไอนี้อร่อยอันนี้เป็นสุขเป็นสวรรค์นะถ้าไม่ได้แล้วเองทุกนะไม่ได้ด้วยอย่างนั้นแต่ด้วยรู้เพระกินก็กินด้วยรู้มันก็ไม่เป็นภาระมากมายกินวันหนึ่งแล้วจบแล้วไม่ต้องไปอยากอะไรอีกจริงๆเราจะก็รู้สึกจริงๆเลย คนนั้นก็เอานี่ยมาเสิร์ฟเออนี่มาเสิร์ฟแล้วก็เฮนเออเรากินแล้วพอแล้วร่างกายวันหนึ่งขนาดนี้แม้จะเย็นตกเย็นไปแล้วมันพร่องแล้วนะที่จริงพร่องแล้วเนี่กินเข้าไปได้อีกนะถ้ายิ่งมันมีกิเลสชอบแล้วก็แล้วเลยมันรู้สึกพร่องหน่อยเนี่ยสรีระมันมีเซลล์มีประสาทมีอะไรอะไรบอกตัวเรามันพร่องหน่อยแล้วนี่เติมได้อีกเยอะนะมันเย็นแล้วนะตอนเย็นแล้วยิ่งกินมื้อเดียวนี่ตกเย็นเฮ้ยเติมได้เยอะ อันนี้เราชอบนะมันก็ร่วมมือร่วมไม้กันเลยประสาทมันก็บอกว่ามันพร่องข้างในอะสริริยะไอตัวกิเลสก็บอกว่าเฮ้ยพร่องๆเนี่ยแล้วมันก็ชอบเลยนะเอาเลยเอาเลยถ้าเราฝึกเรียนรู้พยายามลดละกิเลสพวกนี้แล้วถึงจะพร่องก็พร่องไปเรากําหนดของเราด้วยนะว่าเอ้ยมันยังไม่ถึงเวลา ก, กินหรอกเรากินพรุ่งนี้จะกินอีกทีนึงก็กินมื้อเดียวอะ่ะ เพราะจะเย็นตอนเย็นแล้วเวลาเย็นแล้วแม้มันจะพร่องท้องจะพร่องมันก็ไม่มีปัญหามันก็จะไม่มีอะไรมันจะมาสั่งการหรือว่าทำให้เราเองจะต้องไปอยากไม่ต้องมาเอาอะไรเข้าปากเข้าไปอีกต้องเคี้ยวต้องกลืนอะไรอีกไม่ต้องเพราะก็หมดภาระหมดความยุ่งยากหมดอะไรอะไรต่างๆนานาอาตมาเห็นว่ามันเป็นผลดีต้องไม่รู้ต้องเท่าไหร่อาตมานี่ฟันดี หมอรับรองนะไม่ใช่อาตมาพูดเองนะแต่ก่อนอาตมาแต่ก่อนนี้ตั้งแต่เป็นคราวาร่าเป็นเด็กก็กินจุ๊บจิบก็กินอะไรมัางเป็นคราวาร่าเนี่ยอาตมาก็ฟันเสียเหมือนกันฟันเสียจนถอนกลามไปทั้งหมดตั้งหกซี่แล้วถอนนั่นแต่เป็นคราว่าเนี่ย น, น ะ, ะจนกระทั่งมาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมาบวชฟันอาตมาไม่ได้เป็นอะไรอีกเลยแล้วก็ตรวจฟันทุกปี หมอก็มาตรวจให้ตรวจให้จนกระทั่งสุดท้ายหลงัลงๆสูตรหมอก็ต้องถามมาว่าคือหมอไม่กล้าถามเองถามหมอฟารักหมอคือหมอหาญรงเป็นผู้ดูแลฟันอตมา <c oughs> นานแล้วหลายปีแล้วจะร่วมสิบปีแล้วมั้งดูทุกปีตั้งแต่เคยพาตัดฟันแนทมาก็ถาม <c oughs> ถา ม, มาแมาว่ารักษาฟันอย่างไร มีเคล็ อ, อถามว่ามีเคล็ดมีเคล็ดลับรักษาฟันยังไงทุกฟันทึกดีสะอาดสะอาดแม้แต่ไอ้หินปูนหรือว่าอะไรเขาเรียกไอ้พลักอพลักมันก็ไม่มีให้จะต้องเขาจะต้องขูดต้องอะไรบ้างทุกคนจะมีมากหรือน้อยแต่ขอาตรามันแทบจะไม่มีจนกระทั่งว่าไม่ต้องเลยปีหนึงก็ไม่ต้องมีมาขูดพลักเพลกอะไรก็ไม่ต้อง ก็เลยถามว่ารักษาฝันยังไงมีเคล็ดลับอะไรอาตมาก็เออเรามีเคล็ดอะไรเราไม่เห็นจะได้เก่งอะไรเลยเรื่องฝันสีฝันก็ไม่โกไม่สวยเหมือนบางคนนะแม่สีฝันสวยอย่างท่านศีลวันโนเนอโอโหสีฟันสวยนะท่านอาตมาก็ซัตดเลยก็อย่างนี้ทุกทีเอะเราก็ไม่มีนะถ้าจะให้เราไปแสดงสีฟันให้คนดูเนี่ย ไม่ได้เราเป็นตัวพรีเซนเตอร์ที่จะสีฟันในแก่คนนี่ไม่ได้เลยอัตมาไม่สวยฟันสีฟันก็ตามประจักษ์ติอย่างนั้นมาก็สีรู้ว่าตรงไหนไมันควรจะขัดตรงไหนออกก็ขัดขัดข้างในข้างนอกอะไรขัดครบจบพอเสร็จแปลงนี้ยนโยนโย น, ย น, ยนบ่อยๆหรือว่าขัดแรงอ่าไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะอ่าปากเปิดนี้เยอะไป อ, อ่าอย่างท่านศิลาวะโนนี่ท่านแปลงค่อยๆแปลง กันเออเก่งนะเป็นปีเซนเตอร์ได้นะถ้าใครจะเอาเอ า, อาจริงๆท่านอาตมาว่าท่านติดแล้วนะติดเป็นนิสัยเป็นอะไรมันมันเป็นอย่างงั้นจริงๆอาตมา ก, ก็ยังนิยมชมชื่นนะแต่อาตมาเองอาตมาทําไม่ไหวไม่มีมันรู้สึกว่ามันจะเสียเวลาเราแม่ไม่ไหวเราโมโหฝึกอย่างอยู่อีกก็คงจะกินเวลาอีกเยอะเราก็อยากจะให้มันรีบเสร็จเอาละเราขัดขัดไอ้ข่าอะไรที่กินแล้วเสร็จก็ล้างมันออกขัดขัดมันออกเสร็จแล้วล้างปากแล้วก็จะได้ไปทําอะไรต่อนะก็มันก็ มันไม่ได้เคยเสวลากับมันมากนักอัตมาตอบหมอเขาได้คิดได้แบบอ้อเราไม่ไดเ้เป็นนักรักษาฟันโดยวิธีน้นวิธีนี้อะไรมากมายเลยง่ายๆด้วยซ้ำก็เลยคิดว่ า, ม, ามันคงไม่เป็นเหตุเป็นผลเพราะการวิธีรักษาอย่างน้อนอย่างนี้ไม่มีเคล็ดอะไรหรอก อาตมาก็ไปนึกผลสรุปได้ว่าที่เราเองฟันเราไม่เสียเพราะเราไม่กินมากเพราะเรากินมือเดียวเสร็จสีฟันให้สะอาดแล้วจากนั้นอาตมาไม่กินอะไรอีกเลยนอกจากน้ำเปล่าจริงๆนะไม่ได้กินอะไรที่มันจะต้องเป็นเลอะปากเลอะฟันนะไม่มีจริงๆน้ําเปล่นาน้ำหวานนื้อนัน น, น, น, น, น, นอะไรไม่มีพอกินเสร็จมือเสร็จนะั่นล้างฟันเสร็จแล้วก็เรารู้เราเลยว่าตลอดไปอีกจนกระทั่งถึงรุ่งเช้า มันก็จะกินอีกทีกินข้าวอีกทีก็สีสีพอกินเสร็จก็สีฝันแล้วมันก็ไปอีกมันก็สะอาดนะสิมันไม่มีเชื้ออะไรที่จะไปทําให้ฟันเราจะต้องเลอะนอกจากน้ําลายเราเองถ้าน้ําลายของเราไม่เป็นอะไรที่มีมีเห ม, มือนกันบางคนนี่น้ำลายเนี่ยเป็นกรดเป็นด่างเป็นน้นเป็นนี่ที่จะก่อให้เกิด p ลัก u นี่บ้างจากน้ําลายนี่มีเหมือนกันแต่น้ําลายอัตมามันคงจะไม่เป็นอะไรมากมั้ง มันก็เลยไม่มีอะไรเท่าไหรเพราะไปตรวจแต่ละปีแต่ละปีปีหนึ่งไปตรวจทีก็เอ้เรื่องเสียเวลาหมอคลายๆ ย, ย่างเง้นะมอตรวจแล้วก็ไม่เห็นได้ทำอะไรเลยตรวจแล้วก็ก็ยิงฟันให้ดูเขาก็ส่องเอากลจกไอดูฟันเขาก็ไปส่องมันก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะมันไม่ได้เหตุเพราะาเราเป็นคนดูแลรักษาฟันเก่งยังงี้อย่างงี้มีเคล็ดยังงี้เปล่าเลยเพราะเรากิน เป็นมือเป็นคราวแล้วก็ไม่ได้ทำความสกปรกให้แก่ฟันมันก็ไม่ต้องไปกวนไปถูกอะไรมากวนมาเอาเนี่ยไม่มีอเชื่ออะไรมากมายแล้วเจ้าะอาตมา ก, ก็กินอาหารก็ไม่ได้กินสเปสปะ ก, กินเล่นกินหัวกินโน่นกินนี่เดี๋ยวก็เอาเอ้กินอาหารชนิดนั้นกินของชนิดนี้มีสารพัดอย่างโน่อนอย่างนี้เหนียวมั่งกรอบมั่งมียางมีเยิงมั่งมีโน่นมี น, น, มนี่มั่งกินเข้าไปมันก็เยอะอสิฟปากอะ่ะ เนี่ยทมาก็กินอาหารอยู่ไม่กี่อย่างแล้วไอ้ที่ปรุงมาไม่ปรุงมาไอ้ปรุงมากนักก็ไม่ได้กินไอ้มันมเยิบเยๆบยาอย่างนู้นอย่างนี้มามันก็ไม่มีเข้าไปในปากเท่าไหร่ไอ้กินมันก็ดูง่ายๆสะอาดสะอานเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์บริสุทธิ์ดีมันก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุก็เลยทําให้ให้ปากฟันสะอาดสะอานได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้นมันไปได้กันนะถ้าเพราะว่าอนี่มันดีมันถูกสัดส่วนมันก็ไปได้กัน แต่ที่อาตมาอยากจะเน้นอยากจะเตือนพวกเราก็เพราะไอ้เรื่องมันเป็นภาระโดยเฉพาะที่เป็นภาระก็เพราะกิเลสเพราะการล้างจิตล้างใจให้สะอาดจนกระทั่งไอ้เรื่องภาระแห่งการกินเนี่ยมันก็เป็นภาระแต่ว่าเราก็ต้องมีภาระละวันนึงก็กินมื้อนึ่งนอานั้นก็ไม่ตองเลยเพราะกิเลสมันบงการสินไอ้นี่ของข้าไอ้ของเองอย่างงโนอย่างงี้กันไว้ เออมันก็ไปหมดแหละมันก็อะไรต่อไปอว่าแต่ตู้เย็นเลยล็อกกล่องล็อกเกอร์ก็เอาเอาไปสุกไปอะไรตรงนั้นตรงนี้หอหมดขึ้นมั่งไอ้นี่ขึ้นมั่งอีกหน่อยไม่มีที่สุกที่ซ่อนมันก็ซุกเข้าไว้ในตัวเดี๋ยวมดก็ขึ้นตัวนั่นไปกันใหญ่หลายๆเรื่องอย่างนี้นะ มันมาจากกิเลสเราท้งนัน้นเป็นภาระวุ่นวายเป็นอะไรอะไรต่างๆนา น, น, น, นาเมืพว่าเราฝึกขัดดีแล้วนี่แม้แต่เรื่องนี้มันก็สอเรื่องการกินนี่มันก็อ่านได้กาหนดได้ว่าเราเองจเจริญ เ, เป็นอาริยชนเป็นอาริยะบุคคลเป็นบุคคลที่ประเสริฐเป็นบุคคลที่ได้ฝึกปรือดีแล้วจริงหรือไม่ พราะฉะนั้นย่ว่าแต่กินโดยไม่ปรุงไม่แต่งกินกินโดยไม่ติดในอาหารอย่างน้นอย่างนี้เลยแม้แต่มือแต่ครั้งแต่คราวนี่มันก็ส่อเนี่ยอธิบายฟังละเอียดละเอียดเพราะฉั้นบางคนบอกเอ๊ะทำไมอ่ะมันมือกินมือเดียวมันแสดงถึงเป็นความอริยะตรงไหนอ่ะกินสองมือมันอริยะตรงไหนกินสามือมันส่อแสดงความเป็นอริยะตรงไหนมันส่อจริงๆมันปลดภาระไม่เป็นสัมภาระวิบาก ไม่ต้องเป็นความเคยตัวที่จะต้องจะต้องเป็นอย่างน้นอย่างนี้ให้มันติดมันชินอะไรปรับตัวเพราะงั้นเราจิงกินน้อยมือบางที่ยิ่งเป็นภาระน้อยลงเพราะการจะสั่งสมภาระให้เป็นวิบากของเราให้เป็นผลสำเร็จจะได้กิน ก, ก็กินน้อยมือลงไปได้กินก็ไม่ติดในรูปรดกลินเสียงสัมผัส กินไม่ได้ติดอาหารกินอย่างมีญาณปัญญารู้ว่าเออวาระนี้กินคืออะไรกินก็คือเอาอาหารธาตุอาหารเข้าไปสังเคราะห์เลี้ยงร่างกายกินไม่เปลิดเพลินสนุกสนานกินไม่มัวเมาไม่มอมเมาไม่เมามันกินไม่ประดับกินไม่ตกแต่งกินไม่เป็นที่จริงมีศักดินาเนี่ยประดับตกแต่งอะไรนี่ตกแต่งที่จริงเนี่ยวิภูสนฐานะเนี่ยมันคือเป็นฐานะที่บอกว่าวิภู ศนายะเนี่ยที่ไม่เป็นเพื่อตกแต่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาตกแต่งให้มันงามประดับนั่นก็คือให้มันสวยมันงามให้มันมีอะไรอะไรพวกนี้ <c oughs> มีชั้นยศชั้นศักดินาด้วยตกแต่งเราไม่เป็นชั้นเป็นยศเป็นชั้นไม่เป็นอรรถอร่อยไม่เป็นอย่างโ น, น้นอย่างนี้ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นะ กินก็คือกินสมเหมาะสมควรเป็นสิ่งที่เขาจะไปสังเคราะห์ร่างกายไม่ติดไม่ยึดไม่ยังง้นอย่างนี้ไม่เกิดเวทนาอย่างที่ว่าไม่เกิดเวทนาสุขทุกข์กินอย่างเป็นคุณคา่าเป็นประโยชน์แม้แต่ที่สุดไม่ก่อเกิดอัตภาพเกิดอัตตา เกิว <S an> ่าจะต้องกูจะต้องได้ดีกินดีกินอย่างง้นอย่างนี้อะไรแต่อะไรต่างๆนานาสารพัดไม่ต้องเป็นแม้แต่อัตตากินอย่างอัตตากินอย่างรสอย่างชาตินก็หยาบหยาบกิเลสกับหยาบอธิบายกันแล้วมากไม่แม้แต่กินอย่างที่จะต้องยึดต้องถืออย่างนี้เป็นอัตตาอัตภาพเป็นนี้ไม่ต้องจะต้องได้กินอย่างนี้ของเราจะต้องอย่างนี้เหมือนอดอัตมาพุทธกันบริกินข้าวกระท uonga กินผลไม้กินอย่างนี้อย่างนี้การยึด ถ้าไม่ได้กินอย่างน no. ี like t t ้ถ so cool. ือว่าไม่ใช่ศักดิ์ศรีถือว่าไม่ถูกต้องของเราจะต้องนี้ก็ไม่ต้องไปยึดถึงอย่างนั้นถึงกาละมันไม่มีก็ไม่มีเป็นยังไงอื่นก็เอาแม่ตมาไปที่ไหนที่ไหนไม่ได้กินแล้วจะต้องกินข้าวกล้องถทวงงาไม่ได้กินเขาเอาข้าวขาวไม่กินก็ต้องกินข้าวขาวในวาระอย่างนั้นจําเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่มีก็ต้องกินทดแทนไม่ใช่ว่าเจ้าชนติดต้องยึดต้องได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เราอึดอัดใจ อึดอัดตัวเองแหมไม่ได้อย่างงี้แล้วรู้สึกว่าเวิงเวิงวิงๆรู้สึกจะไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าจะบกพร่องอะไรต่าง ๆ, ๆ น, น, นานาทับถมตัวเองซ้ำลงไปด้วยอุปทานโดยการกาหนดย่ายีตัวเองก็ไม่ต้องย่ายีธาตุมันขาดอยู่ด้วยจริงถ้าเผื่อว่ามันไม่ได้ธาตุที่สมบูรณ์มันขาดจริงไม่พอใจเราก็ไปซ้ำตัวเองก็ไปเอ่ยวขาดขาดใจเรานะ ไอ้ธาตุจริงนะมันคือวัตถุธาตุมันไม่มีความรู้สึกมันก็ขาดอยู่แล้วตามจริงยังไม่พอใจเราก็มาขาดขาดให้เป็นพลังงานที่ว่าประตัวเองขาดซ่อนเข้าไปอีกไอ้ตัวขาดมันก็เลยยิ่งขาดใหญ่ก็เลยเป็นโรคซ้อนซ้ําเจ็บน้อยก็เลยเจ็บมากป่วยน้อยก็เลยป่วยมากนี่แหละเขาเรียกนิวโรซีสโรคทางจิตนิวโรซีสเป็นโรคมัน ใจเป็นโรคบางทีกายไม่เป็นใจเป็นนี่กัยิ่งชัดเจนยิ่งนิโรซิสเลยนะตัวเองเป็นโรคเพราะจิตทางจิตเจ็บเป่วยปวยปวดปวดเป็นโน่นเป็น น, น, น, นี่เพราะตัวเองไม่เอาจิตตัวเองไปไปเกิดอาการไปทําให้ใจตัวเองเป็นโรคนั้นนะเพราะสรุปแล้วไอ้เรื่องกินนี่นะ ถ้าเราล้างแล้วก็ฝึกอย่างที่เข้าใจจริงๆแล้วจนกระทั่งสุดท้ายไม่เป็นภาระอะไรนักมันก็เป็นภาระอยู่เหมือนกันวันนึงกินมื้อเดียวนี่ก็เป็นภาระอยู่เท่านี้น้อยและภาระน้อยภาระเบาถ้าใครไม่รู้จักจบไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักสิน้นยังมีรสอร่อยและยังมีจุบจบยังมีกําหนดอุปทานอะไรให้แก่ตัวเอง เป็นภาระมากมายนักเราก็มีภาระมากเพราะฉะนั้นจะสั่งสมให้เป็นวิบากของเราได้อย่างไรวิบากของเราจะมีภาระมากอย่างไรเราเป็นผู้สั่งสมเองทั้งสิน้นเราเป็นผู้ฝึกปลือหัดเอาทั้งสิน้นถ้าเราฉลาดเราก็ต้องสั่งสมให้เป็นกุศลเาวิบากคือเป็นผลดีที่จะมีภาระน้อย เน่ว่าสร้างกุศลวีบากให้แก่ตนสั่งสมภาระน้อยมันต้องเป็นภาระอยู่บ้างในเรื่องกินอะไรก็เป็นภาระโดยเฉพาะยิ่งเป็นภาระแก่ตัวเองโง่เป็นภาระแก่ตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นตัวเองอย่าเป็นภาระแก่ตัวเองอะไรมากต้องบําเบรอมันจะต้องให้แก่มันจะต้องเป็นทาตไ อ, ไอชีวิตร่างกายนี่อ่า จะต้องนั่งประดิษฐ์ประดอยตกแต่งหูตาก็มานั่งเขียนั่งเขียร์แต่งหน้าก็มานั่งคอยบี้คอยขัดคอยขูดคอยดูแลคอ ย, อยประครบประง ม, มอะไรมันไปวันๆในโอ้ยหัวก็หวีแล้วสางแล้วสางอีกกว่าจะได้เห็นไหมอย่างผู้หญิงนี่โอ้ยเป็นภาระแก่ตัวเองเป็นทาสตัวเองตั้งแต่หัวยันเท้า ถ้าก็มานั่งดูที่ศอกเล็บซ อ, อกน้นซอกนี่ขัดวันนึงเนี่ยผู้ดีไม่มีงานเนี่อะไรพวกนี้น ถ, ถูกสร้างสะสูกสร้างถูกมองมาไว้เนะวันวั น, วนไม่ดูอะไรหรอกดูแต่แต่ตีไปถึงหัวนี่ตัวเองนี่ก็หมดเวลาแล้วไม่พอโดยวั น, ว, นวันหนึงโอ้ยดูไม่ทวนทัวรุพวกนี้ดูอีกแล้วขัดไปเถิดขูดไปเถิดกล่าวไปเถิดนึกออกไหมให้ผู้หญิงเนี่ยแนะนำผู้หญิงเอ่ะ กระบกระโวลอยู่ในบ้านหรือมาอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่ไอ้ตัวเองไม่ทําเองก็ไปจ้างร้านก็ทํานี่ตั้งแต่ตีนจดหัวเนี่ย <S <S มันเป็นภาระมากออกมากออกไม่ไอ้น อ, อกจากไอ้ตัวติดตัวนี่แหละตั้งแต่ตีนตดหัวแล้วก็ยังมีเครื่องนั่นเครื่องนี่เครื่องนี่เครื่องนั้นเป็นภาระเอามาบำเรอเอามาใส่ตัวเองทําไม่ได้อันนี้เราไม่ได้เราเสียศักดิเสียศีกาแล้วนี่ต้องใส่อย่างงี้จาแล้วนี่ต้องมีออย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างงี้แล้วก็โอ้ไม่ได้เราไม่ถูก ไม่ถูกกาละไม่ถูกเวลาไม่ถูกที่เขาสมมุติที่เขากาหนดจะต้องตรงอย่างนี้นี่มันราตรีต้องแต่งชุดราตรีนี่มันเที่ยงต้องแต่งชุดเที่ยงบ่ายต้องแต่งชุดบ่ายเชา้าต้องแต่งชุดเชา้านี่นอนต้องแต่งชุดนอนเข้าสวมต้องแต่งชุดเข้าเขาสวมอาตมาเคยพูดไปชดมันยังไม่ดีไซน์ชุดเข้าสวมเต่า น, นั้นแหละขายตอนเนี้ท้องใส่มันจะเปลี่ยนไม่ทันนั่นเนาะมันต้องใส่ไว้ที่ร่างกายเลยนะ พอเวลาจะเข้าสวมปุเปลี่ยนป๊บออกข้างนอกเลยเลือชุดเขาสวมป๊บชุดนี้ชุดเขาสวมสะดวกได้สบายดีว่าเงินนะ <c oughs> กาหนดก็เข้าไปหมดเขาจะปั่นหัวว่ากําหนดอะไรก็กําหนดก็เข้าไปถ้าไม่ตรงก็ทุกข์อายถือตัวอะไรต่างๆน า, นานาสารพัดกินก็เหมือนกันแต่งตัวเป็นอยู่ก็เหมือนกันกินอยู่หลับนอนเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนี้นอนก็เหมือนกัน ถ้าเราไปที่เดงโงเงาเป็นภาระภาระมากเพราะเราจะสร้างวิบากให้เป็นภาระอย่างไรแค่ไหนโดยเฉพาะเป็นภาระแกตัวแก่ตนพระโพธิสัตว์นี่สร้างสัมภาระวิบากแต่ละชาติแต่ละชาติสั่งสมสัมภาระวิบากคือสร้างวิบากให้ดีให้เป็นภาระที่เป็นภาระเกื้อกูลหรือขนสัตว์ช่วยมนุษย์โลก ตนเองปลดปรงตนเองอย่าให้เป็นภาระแก่ตนเองแต่เป็นผู้รับภาระจะต้องเอาใจใส่ในภาระฟังดีๆนะทีนี้กลับคาว่าภาระแล้วเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีภาระรับภาระเอาใจใส่ในภาระไม่ใช่ว่าผลักภาระไม่เอาแล้วอะไรจะก็เป็นภาระกลัวจะเป็นภาระเดี๋ยวจะไปทำงานนี้ไม่ได้เดี๋ยวผูกติด กลายเป็นภาระมาอิสระเสรีภาพ ท, าทาั้งๆที่ภาระนั้นเราทำเพื่อสร้างสรร์เพื่อเกื้อกูลเป็นบุญแท้เลยมนุษย์มนาอื่นๆในใดนี่เขาจะได้ประโยชน์มากพระนัตตาผู้ใดยาวว่าแต่เป็นพระโพธิสัตว์เลยเป็นคนธรรมดาเนี่เป็นคนเอาภาระรับภาระมี จ, จิตใจเออภาระนี้ไม่ได้เพื่อตนนะฟังให้ดีนะตอนนี้ไม่ใช่ภาระเพื่อตน แกจะมาที่บายกินก็ดีอยู่ก็ดีหลับนอนอะไรก็พูดผ่านๆไอ้นอนไม่ได้พูดเลยอ่าก็เหมือนกันขอสรุปต่อก่อนนิดหน่อยเลยเหมือนกันในเรื่องนอนก็เหมือนกันต้นองฝึกต้องหัดว่านอนเป็นภาระก็นอนจะต้องมีฟูกมีหมอนจะต้องมีสิ่งแวดล้อมจะต้องมีกลิ่ น, อ ย, งงนอย่างง้นอย่างงี้จะต้องพรักพร้อมไปได้วยองค์ประกอบงี้ถึงจะนอนหลับถ้าไม่งั้นนอนไม่หลับโง่ตายเลยไปสมมุติให้ตัวเองก็นอนง่า ย, ายๆเด้ วางตัวลงไปเท่านั้นหรือไม่ต้องวางตัวลงไปถึงพื้นกรหลับก่อนแล้วก็ได้จะนอนแล้วว่างั้นกำหนดอนอนนอนจะวางตัวหัวถึงพื้นถึงหลับมันยังไม่ถึงพื้นกรหลับก่อนแล้วก็ได้อพอถึงพื้นกรหลับพอดีเลยเสร็จหลับเพื่อเราจะพักผ่อนที่อะไรเราก็ไม่ดูทุเรศทุรังการเกินไปจะเกิดเชื้อโรคอะไรตใดถ้านอนตรงนี้จะเกิดเชื้อโรคก็ก่อนอย่าไปนอน มันก็ไม่เป็นไรแล้วนอนแล้วก็ไม่เกิดทุเรศทุรังการใดเกินไปนักก็นอนได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนอนไม่ต้องไปมีอะไรต้องวุ่นวายต้องเดือดร้อนต้องเยอะแยะอะไรเป็นภาระมากมายมันก็ปรงภาระเบาภ า, าระแก่ตนเพราะฉะนั้นตนก็เป็นคนเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายเป็นคนง่ายไม่ต้องเป็นภาระแม้คนอื่นก็ไม่เป็นภาระแก่เราโดยเฉพาะเรานี่ เ, เป็นตัวกาหนดเลี้ยงยาก กินยากอยู่ยากนอนอยากไปยากมายากนั่งยากเดินยากยากไปหมดเอาใจยากไอ้คนอย่างนี้เนี้ยนะมันก็ตายพอดีคนอื่นก็เป็นภาระ ต, ต, ต, ต, ต, ตัวเองเป็นภาระตัวเองให้คนอื่นไปเป็นภาระด้วยยุ่งเพราะสังคมมันเปลืองสังคมมันเสียเวลาเสียแรงงานมันเพราะพวกศักดินาทุนนิยมเพราะลักษณะที่ไม่รู้พวกนี้แหละสร้างขึ้นมาแล้วตัวก็มาติดมายึด แค่กินอยู่หลับนอนนี่แหละที่เป็นกรรมฐานหลักของศาสนานี่วัดเอาชฌาอโสรปฏิบัตินี่แหละละเอียดลึกซ้อที่อาตมาพูดมาถึงนอนแล้วเนี่ดูเถมันเป็นภาระไปมากมายกายกองจริงๆมันจะเปิดเข้าใจโดยปริยายต่อมาจะไม่ขยายความต่อแล้วความเป็นอยู่อะไรๆต่อได้จะไปขยายความเป็นอยู่ของเราเพราะว่าความเป็นอยู่เป็นส่วนกลางแล้วความเป็นอยู่ที่เราจะเป็นคนที่ นอกจากจะไม่ตัวเองไม่เป็นภาระอนนั้ขอจบเรื่องนอนไว้ค่อยไปพูดกันเองไปคิดกันเองไปสอนเป็นตรวกันเองอจตมาไม่ได้มาย้าเท่าไหร่หมนี้เรื่องนอนนอนก็กต้องหัดหลับหัดตื่นหัดกําหนดเวลาหัดนอนอย่างไรถึงจะเป็นการนอนที่ดีไม่ติดไม่ยึดไม่อร่อยอะไรแล้วแต่ก็พูดมามากมายเพราะตอนนี้ก็ไปค้นคว้า ส, สอบทานศึกษา มีอะไรหลักฐานเก่าๆเทพบางหนังสือบังหรือว่าคุยกันซักไซส์อะไรเลี้ยงคนเก่าๆคนที่เคยเคยปลื้มมาแล้วอะไรต่างๆนานามไม่ติดไม่ยึดอย่างไรนอนให้รู้จักตื่นนอนอย่าให้เป็นหลับไหลย้อนนอนอย่าให้เสพให้ติดอะไรนอนให้ดูดีๆอะไรว่ากันไปทีนี้มาข่าเป็นอยู่ที่เราจะเป็นอยู่นี่แหละเมื่อเราเป็นอยู่รวมกันเนี่ยก็ต้องกินต้องนอนต้องอาศัยเอะไรนี่เราก็รับ รับดูแลกันดูแลเป็นงานที่จะต้องคอยเอาใจส่ช่วยเหลือเฟื้อฟายกันงานทั้งที่เราอาศัยเราอยู่นี่เราอย่างน้อยที่จุดปัดกวาดนี่ก็ต้องใช้นะเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันนี่ต้องดูจัดแจงไอ้นเป็ น, ร, นประเบียบระเบบเอามาใช้ไอ้นวลไอ้ น, นี่อะไรแต่อะไรต่าง ๆ, ๆ, ๆ น, ๆนานาคอยดูแลเข่าของคอยดูแลนวลนี่รับภาระดูแลภาระนะ ผู้ที่เอาภาระเอาใจใส่ทำอะไรอยู่ดีทำไปอย่างดีไม่มีเรื่องไม่มีราวก็ใครไม่มีอะไรมีแต่เรื่องที่ดูแล้วก็ดูง่ายขึ้นหลายคนก็จนกระทั่งไม่ต้องไปเอาใจใส่เพราะมีผู้รับาร์ภาระแบกภาระไปแล้วตั้งแต่กินตั้งแต่จัดแจงทำอะไรต่อใดตื่นเช้าขึ้นมามีคนรับภาระกวาดปัดถูเช็ดเสร็จแล้วก็ดูแลตังนนตังนี่ก็มีผู้รับภาระดูแลไป มันเกิดความเรียบร้อยทุกคนเอาใจใส่ดูแลนะคนนี้ไม่อยู่คนนั้นมาแทนคอยสัมเนียกดูว่ามีคนคนนี้เป็นไงขาดไปแล้วเออเราทำเป็นเราแทนได้เรารู้ไอน้นนทนนี่ทดแทนกันไปมันก็ไม่ขาดตกบกพร่องทุกอย่างมันจะไม่ขืดเกิดการชะงักสะดุดทุกอย่างราบลื่นไปตื่นเช้าขึ้นมาจะลงศาลาก็มีคนมาเตรียมศาลามันมีบุญนะ ไม่ได้จ้างสักบาทนะคนมาเตรียมสารานะ่ะปัดทู ป, ปียี่มิดีกับนักบวชนู้นนะ่ยมาทูสลายคุณใช้ให้คุณมานั่งมาอาศัยนะเป็นยังไงล่ะนึกยังไงดีกี่ขามากครอกนอะฟังดูนี่อาตมาพูดเพื่อที่ให้ชัดสื่อภาษาให้คุณเข้าใจให้คุณสํานึกให้คุณรู้สึกสุสีว่ามันเป็นยังไงเพราะเราเออเรามีน้ําใจบ้างเถอะแม่เราเนี่ยแล้เรากินแรงผู้นั้นผู้นี้สมควรไหม ถ้ามีใครทำอาตมาคงจะต้องมาเช็ดสลาเนี่ยมาคุณจะได้มานั่งทําวัดเชา้าอาตมาต้องตื่นมาเช็ดสลาให้แล้วก็คุณจะได้มาเ อ, อเดินมาหนวยนาฏมามานั่งสลาแล้วจะรู้สึกยังไงอ่ะฮะเนี่พยายามอาตมาพยายามจะสมมติแะยกตัวอย่างให้ฟังเพราะเราพยายามถ้ามีน้ําอกน้ําใจมีความเข้าใจอะไรก็คิดเอาเรากำหนดเอารับภาระดูแลสังวรสําเนียกบ้างคนไหนอย่างไรขนาดแค่ไหน ผู้หญิงเยอะนะที่จริงถูสลาส่วนมากในผู้ชายใช่ไหมทุกวันเนี้ยฮะผู้หญิงไม่ค่อยได้มาวุ่นวายอะไรผู้หญิงก็ไปทําเรื่องอื่นนะผู้ชายดูแลแต่ผู้หญิงผู้หญิงมากผู้หญิงมาช่วยก็ได้ไม่ว่ารัตตื่นเช้าขึ้นมาตีสองตีสามกว่ากว่าเขาก็ตื่นแล้วก็มาดูแลเช็ดถูตีสมครึ่งเคาะระครังก็ใครมาก่อนก็มาเลยที่นี่มีใครมาก่อนนะไม่ใช่ที่มานั่ง ปะน่ะเขามาทำทำความสะอาดผู้ที่มานั่งอ่ะพออัน่ะปั๊บจะมานั่งมาเลยก่อนเพื่อนนี่คารวาสก็ตามอยู่ที่ปทุมสกหรือว่าขณะนี้นี่นะมีสิขมาตรละอ่อนี่เขามีความตั้งใจเลยว่าเขาจะพยายามมาลงสลายก่อนเพื่อนตั้งใจแล้วก็จะเป็นอปุ๊บเขาก็มานั่งก่อนแล้วสิคมาละออที่นี่มีใครอ่ะฮะฮะท่านเบิกบาน มนเบิกบานโยมอะไรนะไม้ไมาโยมเตือนใจในอาตมาจะยกตัวอย่างอยู่แต่จะยกตัวอย่างเอาภาระจัดแจงเอ็พวกนี้ผลละหมากลากใบเนี่ยโ ย, ยมเตือนใจทำจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็แต่ก่อนนี่ก็ทํามากี่ปีแล้วอะอย่างโยมเตือนใจนี่ไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรก็ใครทําช่วยเป็นภาระรับภาระน่าชื่นชมมาตลอดทุกคนก็รู้ก็เห็นใครไม่รู้ไม่เห็นแม่มาใหม่ ๆ, ๆก็ยังเห็นเลย เอาเก่แก่ยิ่ง จ, จะราดึกได้เอาภาระรับภาระไม่มีเรื่องไม่มีราวก็ใครทําไปใครโ น, น่นใครนี่ก็อารู้จักอนุโลมปฏิโลมทามจัดแจงอยู่นั่นแหะนะคนนั้นคนนี้ก็แล้วแต่อย่างรวมตือนใจก็ยกตัวอย่างขึ้นมาก็เห็นชัดทําอะไรคือรับภาระเอาภาระคนเราถ้าเป็นคนรับภาระแล้วก็มีคุณค่าก็เป็นวิบากสร้างสัมภาระวิบากไม่ได้เพื่อตัวนะ ทำเพื่อค้าเพื่อขายก็เปล่าเพื่อเอาดังดงเอาดังเอาเด่นก็เปล่าไม่ได้ทําเพื่ออยากดังไม่ได้ทําเพื่อที่จะต้องได้ลาบได้ยศเขาจะตั้งตําแหน่งให้ขึ้นมาเป็นตําแหน่งอย่างนึงนี้ไม่มีหรอกไม่ได้มานั่งยกยอปอปั้นอะไรกันนี่นานมาชมกันทีนี้ก็เหลือแต่นั่นแล้วไม่ได้ทําเพื่อที่จะพูดขึ้นมานี่ก็เพื่อจะมาชมเชยยกย่องเพื่อให้มันหลงไหลหลงระเริงติดยศว่าจะไ ด, ด้มียศมีตําแหน่งมีศักดิ์ศรีมีอะไรขึ้นมาก็รู้ดี คนชมเชยแล้วก็ดังปึงาภาษาไทยก็ภาษาภาคกลางก็วานาบานแต่อีสานเขาไม่ว่ า, าได้ทับคําชมเชยเขาไม่เรียกว่านาบานเขาบอกว่าดังปึงจมูกบานดังปึงนะ่ะแปลว่าจมูกบานดังนะ่ะแปลเขจมูกนี่เขาเรียกดังเรียกเขาเรียกแปลกนะอีสานนี่เขาเรียกเรียกหูดังหูนี่ก็คือรู หูรูรูจมูกมันควรจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกรวมเลยเนี่ยเรียกหูดังแต่เียกสั้นๆก็เรียกดังเด็กไทยครบเครื่องก็เรียกว่าหูดังคือเรียกทั้งรูด้วยทั้งจมูกด้วยทั้งรูด้วยเรียกว่านี่คือหูดังรวมทั้งรูจมูกรวมทั้งจมูกแล้วก็มีรูของมันเสร็จมีถ้าของมันเสร็จเรียกหูดังนี่คือหูดังเรียกเต็มคำนะแต่เวลาเขาจะเรียก รูจมูกเขาก็เรียกหูหูหูดังเขาเรียกอีกทีหนึ่งเนี่ยเรียกซอนถ้าจะเรียกรูจมูกเก็เรียกหูหูดัง <c oughs> จะเรียกหูหูดังมันก็ไ ม, ไม่ไม่เต็มคำหรอกใช่ไหมจะเรียกหูดังก็ไม่เต็มคำหรอกใช่ไหมมันขาดใช่ไหมจะต้องเรียกหูหูดังนี่รูรูจมูกแต่เรียกสั้นๆก็เรียกดัง เรียกเต็มคํำก็เรียกหูดังเรียกจมูกบานก็เรียกดังปืนภาษาลกลางๆก็เรียกว่าหน้าบานเป็นกระดง้งในรับคาชมเชยก็นหน้าบานเป็นกระดง่งในรับคำชมเชยก็ดังปึงปานหูดังง่วหูดังงัวงหูดังควายมันเพริยอเพยอย่างนี้เคยเห็นไหมนะ จมูกควายจมูกงวมันมันบานเคยเห็นไหมอ่าจมูกงวจมูกควายมันบานน ะ, นะขยายความนิดนิดหน่อยหน่อยเบาๆสมองนะเราทำงานรับภาระทำโน่นทำนี่อะไรเราไม่ได้ทำเพื่อความหวังจะได้รับคำเ ย, ยินยอชมเชยแล้วก็เหลืองระเริงชื่นอร่อยในสันเสริญเป็นโลกกรรม เราไม่ได้ทำเพื่ออย่างนั้นเพราะงั้นใครจะรับภาระอย่างอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมารับภาระสังสมภาระเพื่อจะรับภาระเอาภาระเพราะฉะนั้นอาตมาก็ถึงในรูหูรับภาระหมดดูอะไรเรื่องอะไรก็จะรับออาจะต้องเอาด้วยขณะนี้แม้แต่เด็กก็รับภาระที่จะสอนเด็กถ้าจะสอนถ้าจะประชุมถ้าจะไปร่วมรูรร้ร่วมคิดร่วมลงมือลงแร ง, ร ง, รงทาด้วย ทั้งหมดได้เท่าไหร่มันเป็นเรื่องกําไรของชีวิตมีภาระมากรับภาระมากไม่ใช่ภาระบําเรอตนด้วยภาระสร้างสรรค์เพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นคุณฟังเป็นนะเพื่อผู้อื่ น, น, น, นทําก็เพื่อผู้อื่นเรานี่แหละโอ้โหวันวั น, ว น, วนคืนคืนเราจะทํำยังไงมีภามีภาร ะ, ะ, า ร, ะรับภาระแล้วก็ทํางานนี่ซ้อนซ้อนซอนซอนซอ น, ซอนได้มากเลย เป็นผู้มีภาระมากแล้วสร้างสรรได้มากเพื่อผู้อื่นได้มากคนอื่นได้รับประโยชน์คุณค่าจากเราไปมากแล้วมันขาดทุนไหมนะรู้จักทฤษฎีกำไรขาดทุนของอาริยะชนไหมขาดทุนไหมมันยิ่งได้กาไรมันเจงยิ่งเป็นกุศลลวิบากจะเป็นกุศลทางโลกีเป็นกุศลทางโลกุตระด้วยทั้งหมดเลยใครอยากเป็นพระอาหารหันขอทานมัน่งไม่สร้างสมวิบาก เลยมีแต่เป็นหนี้เป็นสินขูดรีดเขาไปชาติไหนก็ต้อ ง, ปงเป็นนั่งรับใช้เป็นหนี้เป็นทาสเขาอยู่ด้วยเลยเสร็จแล้วก็สำลอกกิเลสอาศัยการกรรมกิริยาวิบากต่างๆนี่แหละสำลอกกิเลสด้วยแต่กุศลวิบากทางโลกียะก็ไม่มีไปที่ไหนก็ใช้หนี้เขาไม่หมดสักทีชาติใดมาเขาโอ้กระจอก ง, อ, งอยงถูกต้องไปรับใช้เป็นทาสคนอื่นเขาจนยากมีเท่าไรก็ไม่เหลือหรอไม่ได้มีบุญทางนี้เลย ดีม่ดีแม้แต่ร่างกายชีวิตก็สุดโทมเจ็บป่วยเ ป, เป็นขี้ทูดกุดถังเป็นขี้กลื่อนขี้กลากเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกร้อนทั้งสรีระเจ็บป่วยทุกร้อนทั้งอยากทั้งจนแล้วก็บำเพ็ญไปเพื่อจะเป็นอรหันต์เสร็จแล้วก็มีวิบากอย่างนั้นเน่ยเลยเป็นอรหันต์ขี้ทูดจบมันกันจบกิเจมือนกานจะเป็นอรหันต์ได้แต่เป็นขี้ทูดทรมานไปชาติแล้วชาติเราอยากเป็นอดอาหารอย่างนั้นไหม หรืออยากเป็นอาหารหัน์อย่างมีพรักพร้อมกินดีอยู่ดีอยากจะสร้างสรรช่วยเหลือนอนท์นี่อะไรใครก็ได้มีทรัพย์สลิงคารมีทุกอย่างพรักพร้อมเป็นกุศลวิบากของเราเพราะเราได้สั่งสมสร้างสรรเสสละขยันมันเพียรอดทนและมีฝีมือความสามารถสร้างเกื้อกูลมันเป็นทรัพย์ของเราทั้งนั้นแหละคุณได้ให้ก็เป็นของเราคุณได้ให้ก็คือของเราเหมือนฝากแบ่งอย่างที่อาตมาคเคยพูด เรามีฝีมือมีความสามารถความรู้ด้วยถ้าเป็นความรู้อย่างนี้นี่ราคาแพงนะนี่คิดอ่านขนาดนี้นี่ได้เยอะลงมือทํานี่ก็ราคาแพงนะของงี้ๆีโอ้โหนี่ของจําเป็นของโลกของสังคมของมนุษย์ชาติทําได้ดีนะสร้างสรร์ได้แล้วเราก็มีกระจิตกระใจมีความยินดีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีอิทธิบาทสร้างสรรค์เป็นพระผู้ส้างเป็นจิตวิญญาณที่สัง่งสมเป็นจิตวิญญาณพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณวิเศษ เป็นจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่นี่แหละเป็นจิตวิญญาณนักสร้างสรรค์ไม่ได้เพื่อตัวตัวเองยิ่งปฏิบัติตัวเองเป็นคนกินน้อยใช้น้อยแต่ไม่ได้ทรมานตัวเองนะมันใช้อาศัยน้อยเราเองนี่กินก็แค่นี้ใช้เครื่องประกอบเครื่องอุปปัจจัยจสี่ก็แค่นี้แค่นี้วันวันหนึ่งคิดแล้วเสร็จปัจจสีของตนเอง ไม่ได้เท่าไรเลยไม่กี่ตังค์เลยแต่ประสิทธิภาพของเรานี่มากความรู้ก็ดีฉเฉลียวฉลาดไมแนะนำผู้อื่นนี่ที่จริงเป็นราคาทั้งนั้นนะสั่งสอนคนก็เป็นราคาแนะนำเขาได้ก็เป็นราคาแนะนำให้คนเจริญนี่เป็นราคาแนะนำให้คนเลวลงเป็นราคาเหมือนกันเป็นราคาบาปแนะนำให้คนเลวลง เป็นราคาเหมือนกันนะเป็นนะโดยกรรมนะเพราะใครไปแนะนำใครไปทำร้ายคนให้คนตกต่าเนี่ยเป็นบาปนะโดยสัจจะนะคุณเชื่อไหมมันเป็นกรรมกริยาคุณแนะนำคุณทาท่าไหนก็น แ, ล แ, แล้วแต่เอาละให้หนักเข้าไปกว่านั้นเป็นตัวอย่างเราไม่ได้ไปบอกเขานะเราเป็นของเรานะแต่คนมาเห็น มารับสัมผัสโอ้ยรับสัมผัสไปตัวอย่างที่ไม่ดีเขาติดโดยเขาชอบตัวอย่างไม่ดีงี้ดีฮะเขาไปเอาตามบาปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันซับซ้อนอย่างเงี้ยบาปโดยไม่รู้ตัวเป็นตัวอย่างที่เร็เวเร็ซ้มยิ่งไปบอกเขาเลยนะยิ่งเจตนาเลยนะ ให้เป็นอย่างนี้ให้มันช่วยอย่างนี้ให้มันตกต่ํางนี้โอ้โหอมมาหิตจริงๆคนนี้บาปเพราะเวลาไปแกล้งคนอ่าให้มันทําอย่างงี้มันจะไดจะ้จะได้เจ็บปวดมันจะได้จิบหายมันจะได้อะไรอะไรโอ้โคนพวกนี้ใจดําอมมาหิตบาปนะหนาเหลือเกินไปบอกก็ตามไปลงมือฆ่าลงมือแกงลงมือทำร้ายเขาตกต่าให้เขาเจ็บปวดให้เขาเสื่อมทรามให้เขาเสียหาย ใดๆก็แล้วแต่อาชีพ น, นี้มันมีภาวะซับซ้อนอย่างนี้อาตมามาแนะนําให้คนจนลงทางโลกมีแต่ว่าพยายามแนะนํากันให้ร่ํารวยใช่ไหมหาทางช่วยกันให้ร่ํารวยอาตมาก็แนะนําให้คุณร่ํารวยจะร่ํารวยได้อย่างไรร่ารวยได้เพราะเรามีความรู้มีความสามารถ แล้วลงมือใช้ความรู้ใช้ความสามารถนั้นประกอบกรรมกระทขาขยันหมั่นเพียรทําเมื่อทําแล้วคุณก็สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วถ้าเอาไปขายตามแบบโลกคุณก็จะได้เงินมาถ้าคุณมีวิธีหลอกลวงขายให้ได้ราคาแพงๆอเอาเปลวอรัสมาคุณก็จะได้มากแต่ตมาก็ไม่เคยสอนวิธีนั้นสอนให้คุณไปขายในขายให้มันราคาถูกๆหรือขายให้ต่ํากว่าทุนหรือขาย โดยจ่ายแจกฟรีเลยด้วยได้ยิ่งมีเศษใหญ่พระเจ้าไม่ได้เคยคุณไปขูรีดไปเอาเปรียกลอรัตอะไรามาจะเป็นนี่เป็นบาปยิ่งไม่เป็นนี่เป็นบาปแล้วถ้าคุณได้ให้ได้ขายแบบแจกฟรีให้เลยแล้วก็ใจก็ต้องอ่านซ้อนอีกอย่าไปอยากได้อะไรตอบแทนอย่าไปห่วงแหนว่าเป็นเราเป็นของเรานะให้สะอาดบริสุทธิ์ไปเลยนั่นยิ่งสิจิตสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งมีราคาบุญที่สูงส่องซ้อน ให้คุณทำอย่างนี้เพราะงั้นเมื่อคุณสร้างด้วยความรู้ความสามารถแล้วคุณก็ได้ให้คุณสร้างได้มากคุณภาพดีมันก็ขึ้นเป็นราคาดีทั้งนั้นแหละและยิ่งเป็นของที่เหมาะสมของที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเป็นดิมานของสังคมเป็นอุปสงค์ของสังค ม, งงงคมแล้วเราก็ซัพพลายหรือว่าอุปทานไม่ใช่อุปาทานนะภาษาไทยที่เขาตั้งแปลคำคำว่าซัพพลายเนี่ย เขาแปลคําว่าอุปทานอุปะอุปทานเรายังอุปทานให้แก่เขาสร้างให้แก่เขาทําให้แก่เขาสนองสิ่งที่เป็นอุปสงค์สนองดีมานได้อย่างถูกสัจจะเลยว่าสังคมต้องการสิ่งนี้อัน น, นี้ควรจะต้องสร้างขึ้นทําขึ้นให้ก็ยิ่งราคาดีนะยิ่งคุณาค่าดีราคายิ่งแพงมันมีภาวะซับซ้อนที่จะคิดราคาบาปราคาบุญราคาของ ราคาซับสริงคา้านราคาซับราคาสิ่งก่อสร้างอะไรก็ตามใช่มันมีหมดน่ะโดยศัจจามันมีจริงเราทําแล้วเราไม่เอายิ่งไม่เอาก็ยิงเป็นของเรายิ่งไม่เอายิ่งเป็นของเราคนก็คงไม่งงแล้วละ่ะเพราะเราเป็นคนสร้างหรือไม่ละ่ะถ้าเรายิงเป็นคนสร้างขยันมันเพียนยิ่งอุตสาห์ขนขวายกระทา มันก็ยิ่งเป็นคุณค่าจริงๆเป็นคนมีประโยชน์ยิ่งได้เพราะคุณไม่เอาได้เพราะคุณสร้างด้วยแรงด้วยเรียวด้วยแรงด้วยการเอาภาระมางคนเรานี่ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วนะไม่ดูดายหรอกไม่เหมือนฤาษีนะเพราะที่มีจิตในทางฤาษีนี่ก็จะฝึกฝนมาแล้วก็จะติดจะอ่อนแออินทรีย์ภระจะอ่อนแอทําอะไรนิดอะไรหน่อยก็ ไม่ไหวแล้วนะนอนพักก็ไม่พอทํางานเนูน่นนี้โอ้มันก็ไม่ไหวแล้วต้องพักต้องผ่อนมันอ่อนแอจะเห็นได้เลยอ่อนแอก็จะมีแต่เวลาพักสัส่วนมากนะทําอะไรนิดหน่อยหน่อยไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วจะต้องพักต้องผ่อนนอนไปตื่นเช้าก็ยังก็ไม่ค่อยไหวลุกไม่ค่อยขึ้นโอ้ปวดเมื่อยตรงโน่ตนตรงนี้อะไรที่จริง จริงๆบางทีนายยังหนุ่มยังแน่นนะไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกพักผ่อนแค่นั้นพอทวไอ้ตัวคนมันไปเต้นไปดีมันตื่นเช้าขึ้นมามันยังไม่ปวดไม่เมื่อยเลยมันไปกินเหล้าด้วยมันไปเต้นมาด้วยนะอะไรมาด้วยมันมานอนว่าสามชั่วโมงแค่นั้นเราต้องตื่นแล้วมันไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกแต่มันอยากนอนอีกเพราะว่ามันไม่พักผ่อนไม่พอจริงแต่มันไม่ปวดเพราะมันไม่มีไซโครซิตมันไม่มีนิวโรซิตมันไม่มีโรคทางจิตเข้าไปทําให้ตัวเองปวดเมื่อยไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกไอ้ที่ปวดที่เมื่อยไอ้ที่ลุกไม่ไหวนั่นอะ ในหลายอย่างนั่นนะโดยเฉพาะคนยังหนุ่มนัน่นอายุยังไม่ถึง50ในระหว่าง 30-40 นี่นะยังแข็งแรงยังไม่ถึงไว้ปวดไม่เมื่อยอะไรมากมายแร้นะจริงๆขนาดทุกวันนี้อระมา60แล้วยังไม่ปวดไม่เมื่อยอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามีนิโรอซิสหรือมีทางโรคทางจิตมีจิตที่มันเกิดปฏิกิริยายึดติดกิเลสนี่แหละมันมันเป็นตัวการเข้าไปมันจะเป็นง่าย ฟังดีๆอาตมาว่าอาตมาวิเคราะห์ไปถึงจิตให้ฟังแล้วจิตนี่มันเป็นจริงนะคุณกําหนดมันปั๊บคุณสั่งมันคือรูปคุณให้มันเป็นอย่างนี้แล้วคุณไม่รู้ตัวหรอกจิเลศมันจะพาให้เป็นอย่างงี้นะมันอัเสาะมันจะต้องเอามันจะต้องเสพเพราะมันติดนะแน่นอนมากๆมันก็เบาดีนะว่างดีอร่อยดีอะไรงี้เป็นต้นมันก็ติดนอนมันอยากจะนอนแล้วอยากจะอยู่เฉยๆมันก็จะหาเรื่องไปทำโน่นทํานี่อะไรได้ไม่ไว้แล้วจะอยู่เฉยๆหรือมาทําสิ่งที่เราชอบ หรือไม่ก็มาทำสิ่งที่เราชอบอถ้าเพา่อมาทำสิ่งที่เราชอบเป็นสาระมันก็ดีไปสาระที่เหมาะสมกับสังคมหมู่เราอยู่หรือว่าหมู่อื่นก็แล้วแต่เป็นดีมาที่ควรทาเราก็ซัพพลายเป็นอุปสงค์ที่ดีของสังคมเราก็อุปทานเราก็ทาก็สร้างขึ้นไปทดแทนมันก็ดียังทำงานก็ยังดีติดงานหรือว่าไปทำงานที่ตนชอบและเป็นงานที่ จำเป็นสำคัญอยู่ในสังคมก็ยังดีแต่อยู่ว่างๆนี่มันเสื่อมแล้วอยู่ว่างๆนี่เสื่อมแล้วเพราะงั้นถ้าผู้ใดสร้างสัมภาระวิบากเป็นคนสร้างสัมภาระโดยรู้โดยเจตนาไม่ได้ไปทำสิ่งนั้นโดยชอบไม่ได้ทำในสิ่งนั้นด้วยการถูกบังคับอะไรแต่เราเต็มใจ สมัครใจรู้โดยปัญญาเองว่าเราควรทำแล้วเราต้องทำไม่ได้โดยอำนาจชอบอะไรไปทำแล้วมันมันดีไม่ใช่บางทีนี่ฝืนนะบางทีนี่ยากนะเราไม่ชอบนะเราไม่เคยเป็นด้วยเราไม่เคยชานาญด้วยแต่เราก็วางใจเอานะไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปลำบากไม่ต้องมีอะไรต้านมันไม่เป็นก็จะไปกลัวที่จริงเป็นอัตตาชนิดหนึ่งมันถือดีถ้าสิ่งใดที่เราไม่เคยเป็นแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ว่า ถ้าเราไม่เคยเป็นมันทําไม่ค่อยดีเมื่อทําไม่ค่อยดีแล้วจะเป็นยังไงไม่ได้หน้าทําไม่ค่อยเป็นมันก็ไม่ได้น่าจะถูกติเตียนหรือถูกลบลูหรือทําของนั้นจะไม่ดีใช่ไหมถ้าเราทําให้เป็นแล้วก็เอ๊ะมันคงจะทําไม่ได้ดีนะเพราะเราทําให้เป็นนี่หรือไปทำข้าวก็คนก็ดูคนอื่นเขาก็มาดูก็บอกว่าโอ้ยทําให้เป็นเลยอ่าจะขายหน้าจะขายหน้ามันเป็นอัตตามันเป็นมารนะเพราะสิ่งใดที่เราทํายังไม่เป็นทีมใดเราไม่ค่อยชํานาญไม่มั่นใจที่จะทําได้ดี แล้วก็ไม่ค่อยอยากทําถ้าจะลองไปทําแล้วมันกลัวเสียหน้าเด้ออัตตามันจะขวางไว้ตัวถือตัวทีถืออัตตามานนะ์ถือดีถือตัวเนี่ยเข้าไปทําอย่างที่กล่าวแล้วเอ๊ะประเดี๋ยวคนเขาเห็นเข้าก็าทำไม่ค่อยเป็นมันจะดูกดูถูกน่ะมันถือตีถือตัวงี้ยดูถูกไม่ได้นี่ถือตัวมันจะมันก็เลยไม่อยากทําทําได้จะไม่ได้ดีทําได้จะไม่รู้สึกไม่ดีหรือไปทําเสียหายน่ะไปทําแล้วเสียหายก็กลัวจะเสียหายก็เป็นมานะชนิดหนึ่ง ท่านเัีงแเอากับพยายามดีๆมันจะไปเสียหายอะไรไว้นักเราตัวเองไม่เชื่อในตัวเองมั่งหมงเลยเหลือไปทําอะไรก็จะเสียหายทันทีเลยเลยแม่มันเหมือนเด็กจนกระทั่งจับก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่ได้อะไรเชียวเลอมันไม่ถึงขนาดนั้นมัง้งนี่มันลบหลู่ตัวเองเกินไปตีค่าตัวเองต่งตําอย่างที่อธิบายมานะมามันต่าเกินควรเกินจริงอวดดีเกินไปก็ไม่เป็นไรอวดได้อวดได้ก็เป็นมานะเหมือนกันอ่ามันพยองก็ไม่ดีอ่าต่าก็ควรก็ไม่ดี อพอเหมาะพอดีไปยึดติดพอเหมาะพอดีเสมอนั้นมากเกินไปก็ไม่เอาไม่ติดไม่ยึดเนี่ยในยะละเอียดละอ่อนพวกนี้มันมีซับซ้อนละเอียดมากมายจริงๆเพราะเราเราจะไปทํางานอะไรก็รไม่ได้ทำด้วยชอบหลงไปไปทำเขาแล้วเป็นสุขก็ไม่ใช่อทุกก็ไม่ต้องไปติดนักเออแม่มันจะไม่เป็นแม่มันจะไม่เคยแต่ว่ามันจําเป็นแล้วละ่ะสําคัญที่ควรจะไปทําก็ทําก็ไปทําเอาภาระ เพราะคนจะต้องสั่งสมสัมภารวิบากไม่ใช่แต่โพธิสัตว์แต่โพธิสัตว์รู้ดีอาตมาเป็นโพธิสัตว์มาพูดให้คุณฟังทุกคนจึงควรสั่งสมสัมภารวิบากเข้าใจสัมภารวิบากมากขึ้นไหมและต้องเป็นวิบากกุศลต้องสั่งสมผลวิบากนี่แปลว่าผลต้องสั่งสมผล ผลที่เป็นภาระที่ดีเพราะฉะนั้นเราเลิกภาระปลดปล่อยภาระที่ไม่ดีแก่เราแล้วเราก็ไปสร้างภาระที่ดีเพราะบอกแล้วว่าเราจะต้องอาศัยตราบใดยังไม่ปรินิพานตราบใดที่คุณยังจะไม่ถึงเป็นพระอาหารหันต์คุณต้องอาศัยภาระไม่ใช่อาศัยภาระอาศัยวิบากคุณจะต้องสั่งสมภาระสั่งสมสิ่งที่คุณจะต้องเอาภาระนั้นๆต้องทางานนั่นเองพูดกันชัดๆ เพราะใครที่สแสวงหางานเป็นเครื่องอาศัยชีวิตก็มีเครื่องอาศัยที่ดีและเครื่องอาศัยที่ดีเหล่านี้เลยอาหารแะประยิยเดติทุกนี่แหละที่เทตามาขยายความมาซ้าๆบ่อยๆว่าเราจะต้องสแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีวิตนั่นก็เป็นภาระพระอริยเจ้าก็ต้องสแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีวิตสแสวงหางานที่จะเป็นกุศลอย่างกุศลให้ถึงพร้อม ให้ชีวิตนี้ดีพระพุทธเจ้าตรัสสอนเวลากาลังล่วงไปล่วงไปบัจจนีเราทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกนั่นคือให้ขนขวายให้เตือนตนหาภาระหางานบอกแล้วเพื่อจะเกิดกุศลวิาบากยังกุศล น, นี้ให้ถึงพร้อมไปด้วยสิ่งที่ดีก็คือคําว่ากุศลสิ่งที่ดีกว่านี้ยังมีอีกยาไปหยุดไปยั่งอะไรนะักไม่สันโดษในกุศล ต่อไม่สันโดนในกุศลถ้าเรายิ่งขยันมันเพียนเราก็สั่งสมวิบากที่เป็นความขยันถ้าเราสั่งสมความขี้เกียจวิบากเราก็เป็นขี้เกียจหางก็ยาวขนก็งอก <c oughs> ไปไหนก แ, ก แ, ก แ, กแกลแกลล์กลาคหาง ไปใไนขนก็ร่วงกล่าวๆ็กลาวขนมันเยอะนักนะไม่รู้ละคุณจะเข้าใจขนาดไหนกันแล้วแต่ขนหมายถึงอะไรหางหมายถึงอะไรก็ตามใจคุณเถอะนะเพราะเราจะสั่งสมอะไรเป็นวิบากเป็นกุศลวิบากควรสั่งสมขยันควรสั่งสมความอดทนค ว, ค, ควรจะสั่งสมสิ่งที่ไม่บำเรอใจตัวเอง สรุปเข่าเป่าสูงสุดควรจะสั่งสมสิ่งที่ไม่บำเรอใจตัวเองควรจะสั่งสมสิ่งที่จะต้องฝืนเสียสละฝืนไม่ตามใจตนนั่นแหละคือตัวล้างกิเลสอัตตา마นะสุดท้ายมันจะตามใจตัวจริงๆนะคนเนี่ยมันจะเอาอย่างงั้นมันจะเป็นอย่างงี้มันจะอยากได้อย่างงั้นมันจะเอาอันนี้แหละมันดีอันนี้นะยิ่งมันเป็นเพลิดเพลินอร่ออร่อยเป็นโลกียะต้องเห็นในจริงเลย เพราะอนแม้คุณจะมีความยินดีแม้คุณจะมีความยินดีว่าเออเราทําบันี้ให้คนนี้นะทําบันี้ให้ผู้นี้นะเสียสละนะซาสรนทำแบบนี้เนพะไม่ใช่เพื่อตนเรารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เพื่อเราเลยนะแล้วเราก็ยังยินดียินดีในกุศลนันนี้นะมันก็ยังดีกว่าที่สุดตรงในฝ่าย ยินดีก็ยังเป็นกิเลสบางไงนะตั้งแต่ที่มันเป็นตัวนําพาให้เจริญเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ยินดียินร้ายอะไรทั้งหมดไม่ต้องงวยฟูไม่แฟบกลางกลางเสร็จแล้วก็ไม่ข ย, ยันอะไรอยู่เฉยเลยกลายเป็นฤาษีเห็นไหมกลายเป็นพวกที่ไม่คุ้นควายอะไรไม่อะไรเลยเสร็จแล้วก็เลยไม่มีเหตุปัจจัยไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทดสอบอัตตามานะที่มันลักตั ว, ต, วตัวจะต้องเป็นอย่างนี้ตัวจะต้องหยุดอยู่เฉยเฉยตัวจะต้องบําเรอใจเพราะเขาจะผิดเพราะมิจฉาทิฏฐิ แล้วก็เลยจะต้องเอาม ну ันเฉยๆมันว่างดีเบาดีจริงนะมันลอกหลอกหลอกตรงไหนหลอกมันว่างจริงๆนะมันเบามันว่างและสับเบาว่างนี่เราเองเราเรียนมาแล้วพระพุทธเจ้าก่ตรัสคํานี้ด้วยมันเบาเบามันว่างมันดีแต่เบาว่างนี่มันไม่ได้เบาว่างตรงที่ว่าเราเองอยู่เฉยๆมันเบาว่างตรงที่ใจเราไม่มีกิเลสเข้ามาเป็นตัวต้านมาเป็นตัวทานมาเป็นตัว ตัวต้องต่อสู้กับกิเลสเพราะฉะนั้นถ้ากิเลสไม่มีมาแล้วเลยนะมันก็ว่างก็โลง่งเพราะฉะนั้นมันจะหนักมันจะเป็นภาระมันจะต้องยากมันก็เป็นเรื่องของงานนั้นกรรมนั้นกิริยานั้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าควรจะเดินปีนภูเขาปีนเดินอันนี้ขึ้นไปล่ะดีไม่ ด, ดีต้องแบกหินขึ้นไปด้วยนะแน่นอนมันต้องหนักต้องยาก เมื่อมันหนักมันยากมันสมควรสมมติว่ามันสมควรจะต้องทำละต้องทาแล้วมันหนักมันยากเนี่ยต้องควรทำเออเราก็ทำทําแล้วเป็นไงหนักกายแน่ลำบากปีนภูเขาแบกหินด้วยลำบากแน่แต่ใจไม่มีกิเลสเลยใจไม่มีอัตตาตัวตนเลยไม่มีอะไรต้านเลย จริงๆนะโดยสัจจคความจริงจิตใจโล่งว่างโปร่งไม่มีกิเลสอัตตาตัวตนเลยไม่ถือดีถือตัวเลยแล้วรู้แล้วเราควรจริงอย่างยิ่งแล้วงานนี้มันหนักจริงๆลําบากจริงๆนะแบกหินขึ้นภูเขาที่เป็นลถเป็นหลันสูงด้วยแล้วก็หนักด้วยเนี่ยลำบากจริงๆนะแต่ใจไม่มีกิเลสเลยใจจะว่างไหมใจจะว่างไหม ใจจะเบาไหมใจจะโล่งไหมจจเพราะฉะนั้นคำว่าว่างคำว่าโล่งคำว่าเบานี่มันไม่ได้เกี่ยวกับงานเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับภาระสภาพของงานเลยแต่คนเพลิเผินคนที่ไม่ลึกซึ้งไม่ละเอียดเนี่ยเรื่องอะไรทรมานตนเรื่องอะไรมันหนักใช่หนักแบกหินต้องหนักเนี่ยตำมสมบูร์ให้มันชัดนนะ งานอะไรก็แล้วแต่งานที่ทำไม่เป็นมันก็ยิ่งยากลาบากเรื่องอะไรลาบากไม่ว่างเห็นั้มเห็นความพลางความซ้อนมนี่แหละโมหะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่แม่นลักษณะก็จะไปบอกว่าเรื่องอะไรไปทำงานเนี่ยมันเป็นภาระประโยชน์ตนก็ต้องหาทางว่างทางเบาสิประโยชน์ตนคนนี้จะนานอีกนาน ใช่เกิดมาอีกกี่ชาติก็ทําให้หมดใช่แต่คุณเองเผินๆว่าเพราะงัน้นเราจะต้องอยู่ว่างๆมังซีจะได้ว่างในเบาเอาภาระตนแปลว่าต้องพยายามทําตนให้ว่างให้เบาสิว่างเบานะ่ยมันไม่ได้อยู่ที่คุณยิ่งฝึกนั่นนะแบกหนักแบกหินหนักขึ้นอย่างที่ว่านี่นีหนักแน่ลําบากแน่นี่นะน แ, น แ, นนนะแต่คุณวางใจให้เบาได้นี่คุณกําลังทําความว่างความเบาจริงๆนะีนั่นแหลประโยชน์ตนที่แท้เลยต้องไปหัดฝึกแบกหินหนักขึ้นทางลําบาก เพื่อที่จะอ่านกิเลสจริงๆเลยว่าโอ้โหนี่เราเองเราไม่ชอบใจเท่าไรเราทุกทรมานเท่าไรในใจนี่ยเราอึดอัดกัดเคืองเท่าไรมันมีกิเลสแข็งแกตัวเท่าไหร่คุณต้องอ่านเห็นจริงๆของจริงแล้วคุณต้องล้างปลดปล่อปลงวางให้โล่งโปร่งสบายได้จริงๆมันไม่เกี่ยวกับงานงานหนักแนะ่คุณยิ่งงานหนักเรายิ่งพิสูจน์ว่าเราว่างยิ่งคุณไม่ติดไม่ยึดวางได้จริงๆนะตัวทํางานอะไรก็ ใจคุณก็อ่านใจอ่านใจอ่านใจได้เพราะฉะนั้นคนนี้จึงไม่ถ้าเข้าใจหมดแล้วนะพาาระอรหันต์เจ้าไม่เกี่ยงงานจริงๆนอกจากมันทำไม่เป็นจริงๆเนี่ยทาไปแล้วมันมันไม่เป็นจริงๆทำไปเสียหายจริ ง, รงๆก็ไม่ทำเพราะงั้นถ้าเข้าใจไม่ได้เห็นไหมเข้าใจเผิอเนี่ยก็นึกว่าประโยชน์ตนเนี่ยเรื่องอะไรไปทางานมาก มันไม่ว่างมันไม่เบานะแล้วมันก็ยุ่งแนละ้ยิ่งไปกระทบสัมผัสกับคนคนนี้ไปก่อเรื่องวิบากอะไรเข้าไปอีกนั่ น, นแหละคุณจะได้ฝึกยิ่งเกี่ยวข้องกับคนนี่แหละตัวร้ายละคุณทํางานแบกหินคุณทํากับหินมันไม่มีเรื่องมากหรอกแต่ทํากับคนโอ้โหยิ่งหลายคนโอ้โหต่างจริตต่างความเห็นวางใจได้ไหมแล้วคุณจะมีศิลปะวิทยาที่จะทําให้เออสมานนตตาแม้แต่คนจริตก็สามารถทําให้สมานกันได้อยู่ได้อัตมาอยู่กับพวกเราเนี่ยนะ ต่างเจริญมากมายจริงๆคงเชื่อนะต่างเจริญมากมายจริงๆแล้วอาตมาก็บริหารบริหารไม่ใช่ปกครองนะบริหารคือการแบ่งกันทําหารนี่แปลว่าแบ่งอยู่แล้วหาระนี่แปลว่าแบ่งอยู่แล้วบริแปลว่าทั่วแปลว่ารอบแบ่งกันให้ทั่วให้รอบแปลเอาความคําว่าบริหารเนี่ยแบ่งกันให้ทั่วให้รอบหมายความว่าต้องเฉลี่ยกันให้ดีไม่ใช่มารับ อยู่คนเดียวปกครองนี่โอ้โหคนเดียวรับเละเลยนะปกครองนี่ชั้นใหญ่ชั้นะเป็นผู้ที่รู้รอบชั้นเป็นผู้ที่จะต้องกาหนดชั้นเป็นผู้ที่สั่งโอ้อยากใหญ่นะอยากเป็นผู้ปกครองนี่อยากใหญ่รู้หมดแล้วก็จะรวบอํานาจรวบรู้หมดรวบใหญ่ชั้นเป็นผู้ที่ต้องสั่งทุกคนนี่เรียกว่าผู้อยากเป็นผู้ปกครองอยากใหญ่เพราะปกครองนี่มีลักษณะสั่งการมีลักษณะใหญ่แต่บริหารนี่เป็นลักษณะ ย่อยเป็นลักษณะยิ่งย่อยยิ่งทําให้เสมอแต่ยิ่งทำให้ประสานยิ่งทําให้เท่าเทียมกันบริหารนี่คำว่าสองคํามันมีลักษณะต่างกันยาตมาทําเนี่ยตมาขอยืนยันว่าอัตมาบริหารพยายามแบ่งย่อยแล้วทําให้อยู่ก็ได้เพราะเราก็พยายามนี่แหละที่อัตมากําลังอธิบายอยู่นี่ก็เพื่อจะหารงานนี่พวกเราแบ่งให้พวกเราไปให้เป็นทั่วๆเพราะฉะนั้นใครขี้เกียจใครติดยึดตัวเองใครมีอัตามานะใครยังเข้าใจผิดว่า ไม่เอาภาระไม่รับภาระไม่อยากข้นขวายฟังให้ดีๆกาลังหารงานให้รับมั่งไม่ได้ยัดเยียดนะไม่ได้บังคับนะแต่ให้สํานึกเองให้มีปัญญากำหนดเองบังคับตัวเองเอาเองถ้าตัวเองทำอะไรด้วยการบังคับตัวเองนะตัวเองลงยังถ้าเราทำอะไรโดยการบังคับตัวเองอยู่มันยังฝืนอยู่ตัวเองลงยังยังไม่ลงและไอ้ที่มันฝืนนมันอะไรอะ่ะ อัตตาโดยเฉพาะตัวเองอัตตาสรุปรวมแล้วก็คืออัตตานี่แหละมันเป็นตัวกูนี่แหละถ้ามันหมดตัวกูเมื่อไหร่เหมือนหุ่นยนต์นี่นะสมมติว่าเหมือนหุ่นยนต์หุ่นยนต์มันไม่มีตัวกูใช่ไหมอาจารยมมนทำอะไรแม่ไปทำสิ่งที่ไม่ควรถูื่องของมันก็จามมันก็ทำให้เป็นอย่างตัวมันมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ละหุ่นยนต์นั้น แล้วก็ติดเครื่องให้มันไปทํามันก็ทำมันไม่ฝืนหรอกมันไม่มีอะไรมันก็ทําตามที่มันมีประสิทธิภาพทําได้มันไม่ทุกข์นี่จิตพระอารหันอย่างนั้นแ่ละฟังออกไหจิตพระอารหันอย่างนั้นแหละไม่ฝืนมันหนักเรื่องของงานก็งานหนักมันทําไม่เป็นมันยากมันก็เรื่องของงานยากแล้วมันไม่ได้ลําบากใจโล่งว่างใจว่างใจไม่มีอัตตาใจไม่มีติดตัวกูเลย มันมีตัวกูมัดหุ่นยนต์นึกออกไหมติดเครื่องให้หุ่นยนต์ไปทําอันนี้มันก็ไปทําั่นไมีทุกข์อ่ะมันมีตัวกูอ่ะแล้วมันอยากจะหยุดไม่หยุดเดาถ้าบอกว่าไปดับเครื่องมันนี่คนไปดับเครื่องก็คือคนดับเครื่องเพราะนั้นตัวคนเจ้าของตัวเราเราเป็นเจ้าของตัวเราเรายังไม่ดับเครื่องเราเห็นว่าสมควรทําเราก็ทําไปสิถ้าตอเดี้มันยังสมควรทําเราก็ไม่ชอบมันก็อยากหยุด ฝืนทั้งนั้นที่สมควรทํำะนะนี่อัอตรามันลึกละเอียดอย่างนี้ลึกละเอียดปานนี้ <c oughs> สรุปแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องการงานพูดถึงเรื่องชีวิตที่จะต้องสร้างวิบากเราต้องสั่งสมวิบากอย่างไร สรุปรคนควรเอาภาระไหมคนควรตัดภาระและคนควรเอาภาระไม่สุดโตรงไปในทางไหนถ้าคนตัดแต่ภาระสุดโตรงเป็นฤาษีคนเอาแต่ภาระสุดโต่งไปในทางที่อะไรก็จะรับเละรับเละรับเละหมดสุดโต่งไปในทางมหายานเทราวาสก็เป็นฤาษีต่งไปในทางฤาษี มหายาติโตไปด้ทางรับภาระจนกระทั่งไม่รู้บาปไม่รู้บุญไม่รู้หลักฐานหลักวินัยศีลอะไรเลยเหมือนฆราวาสหมดเลยไม่รู้จกักหยุดจักพอเลี้ยงยากมีอะไรตระไร่เละเทะหมดจนกลายเป็นฆรวะสต้องมีครอบมีครัวต้องมีรัพย์สริงคานต้องมีหลักฐานต้องมีอะไ ร, ต, ะไรต่างๆนั่นนะแต่ของเรานี่นะจะเป็นคนขยันหมั่นเพียรเอาภาระโดยจิตว่างทางานขยันหมั่นเพียรแล้วมีปัญญารู้ด้วย รู้จักสังคมรู้จักดีมานซ์สปพ이รยรู้จักอะไรตะไรในรอบกว้างโลกกว้างมีโล ก, กวีทูมีพระหุสูตรช่วยมนุษย์พระหูชนะฮิตายะพระูชนะสุขายะช่วยมนุษย์ส่วนมากจํานวนมากได้มากจริงเป็นสุขจริงด้วยช่วยให้มนุษย์เป็นอยู่สุขซับซ้อนไม่ใช่เขาเป็นทุกข์ทรมานมากขึ้นเพราะพระหุชนะอัตถายะพอ ร, รู้จักแก่นสาร ได้มากพหุชนะก็คือมากอัตถายะเรอ้พหุชนะก็คือชนมากคนมากเพราะฉะนั้นจะเป็นเนื้อหาแก่นสารสาระให้แก่คนมากมากมากได้จริงๆเลยเพราะมีโลกวิทูแล้วก็มีประสิทธิภาพมีปัญญารู้ทำได้มากเพราะฝึกภาระมาดีฝึกเอาภาระมาดี แม่รับภาระแล้วก็คนมากเนี่ยก็จัดการสมานตตาได้ดีสมานตตาอยู่ในทานอยู่ในสังขาวัตถุเป็นการสงเคราะห์นั่นเองอทานปิยาวาจาอัตจริยาสมานตตา <c oughs> ซึ่งเป็นตัวสมบูรณ์สุด ทานก็ไม่ต้องอธิบายแม้แต่ปิยาวาจาแตามากอธิบายมามากแล้วถ้าจะพูดปิยาวาจาอันนี้จะเปย์ยาวัชชะก็พูดทําอย่างไรให้เขาดื่มคาการติเตียนได้นั่นเองพูดอย่างไรเขาฟังคําติเตียนคําดาด้วยเขาก็รับคําดาได้ด้วยศรัทธาด้วยการไม่ถือสาทําอย่างไรมันเป็นคําแรงคําดาคําอย่างไนี้เขาก็รับได้ เป็นศิลปะที่ยากมากแต่ทําได้พูดเพราะพูดหวานเนี่ยก็รับได้มันไม่ยากหรอกอย่างนั้นน่ยมันต้องไปฝึกอะไรกันนักหนาหรอกพูดหวานพูดเพราะแล้วเขาก็รับได้แต่พูดแรงพูดกระแทกกระเทือนแกะกิเลสอย่างสําคัญทําลายอัตตาของผู้นั้นผู้นั้นอย่างที่เรียกว่าโอ้โหนี่นปะทะกูถ้าอัตตามันสู้แล้วโอ้โหปะทะหนักพูดไม่ต้องแรงยังปะทะหนักเลยยิงแรงด้วยแล้วก็ปะทะ ตัวอัตตาเปรี้ยงด้วยแล้วโอ้ยยิ่งหนักใหญ่ทํายังไงให้เขายอมรับได้แม้ถูกกระแทกอัตตาขนาดนั้นพิยาวาจารอัตถจริยาก็คือกรรมก ร, ริยาพฤติกรรมของคนพฤติกรรมนี้เป็นเนื้อหาแก่นสารพฤติกรรมอันนี้เป็นเรื่องดีพฤติกรรมนี้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพฤติกรรมสุภาพก็ได้อัตถจริยา สมานตาตาน่ะคือประสานสมานทั้งหมดทำแล้วก็ไม่เกิดการเดือดร้อนวุ่นวายสงบสันติราบเรื่มราบเรียบง่ายงามอยู่อย่างดีอาตมาว่าอัตม า, ตมาทำได้ผลสำเร็จไม่เช่นน้อยบริหารแล้วพวกเราก็สามารถที่จะอยู่กันได้ต่างคนต่างไม่ต้องไปจําจี้จํใชัยกันเกินการก็เอาภาระต่างก็ช่วยเหลือเฟือไฟเอาภาระและพวกเราก็สั่งสมภาระของส่วนตัวให้ดี ตัดภ า, าระปรงภาระของเราให้ดีจะได้มีกุศลยิบากทั้งสิ่งที่ภาระควรปรงควรตัดควรเลิกยากให้เป็นภาระแก่ตนเลยโดยตนนี่ไม่ติดไม่ยึดมีเป็นภาระสําหรับบําเรอตนเมื่อตอนไม่มีภาระอะไรที่จะต้องบำเรอตนแล้วง่ายดายชีวิตเราลอยตัวเรารับภาระเอาภาระสร้างภาระเกื้อกูลเพื่อแพ่ ช่วยเหลือเป็นผู้ที่อนุเคราะห์โลกโลกานุกรรมปายะอยู่อย่างแท้จริงเพราะาตรวจตราไปแตแต่กินอยู่หลับนอนอยู่ก็คือตัวการงานนั่นแหละเรามีชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ละวันก็คือตัวการงานกินอยู่หลับนอนให้เป็นให้ดี เพราะในเวลาที่เราเอามาจากภาษาบาลีที่ว่ากินก็คือโภชเนมัตัญยุตา อ, อยู่ก็คื อ, อสำรวมอินทรีย์เพราะในการที่เราเป็นอยู่ก็คือเราจะต้องมีการรู้เท่าทันอินทรีย์ทั้งหกของเราและสังวรวสารวมอยู่ในสมปทานให้ดีมีสังวรมีปะหารมีภาวนาประทานมีอนุรักษนาประทานมันจะได้พิสูจน์เลยว่าอนุรักษนาปทานเรามีผลนี่ในสังสม วิบากสัมภารวิบากนี่ดีนะดีนะอนุรักษาได้ดีเพราะเราประหารสิ่งที่ควรประหารสังวรจนกระทั่งรู้ดีว่าเออดีเราก็ได้ทำให้สิ่งที่ดีนี้แข็งแรงขึ้นเป็นสิ่งสั่งสมขึ้นเป็นภาเเป็นวิบากที่ดีนะเพราะฉั้นสัจจะที่อธิบายไปนี้แม้แต่หลับนอนชาคิยานุโยคะเราก็ได้ฝึก กินโภชเนมตะยุตาเป็นอยู่สมรวมอินทรีย์หหลับนอนชาคริยานโยคะถ้าจะเอามาจากบาลีแล้วเป็นตัวอปันกธรรมสมเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดไม่มีอื่นไม่มีอื่นการปฏิบัติไม่ผิดสามนี่ก็คือกินอยู่หลับนอนที่เราจะต้องเรียนรู้ว่ากินอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรนอนอย่างไร เรียนรู้ได้ขัดเกลาได้ก็จง ส, สร้างสร้างสัมภารวพิบากนั้นให้เจริญเจริญกันทวนทุกคนเทิญน